บาริบุษฎามุท่านผู้ชมทุกท่าอาจารย์อาายับชมอี i, และนักกศึกษาทุกท่านครับผมวันนี้ผมไม่ได้มาอ่านอันกุลานเปิดงานนะครับผแต่ผมขอมาแนะนําวิธีการอ่านสุระอันนัสให้กับนักศึกษานะครับผมนักศึกษาทุกคนได้ได้ชีตแล้วนะครับถ้าใครยังไม่ได้ ก็ไปรับที่บางกาลีนะครับผมนักเรียนอ่าน่านตามนะครับผมเริ่มจากชื่อสุรศก่อนนะครับผมสุรศสุรศเนี่ยทุกคนจะเรียกว่าสุรศอิราจาแต่จริงๆแล้วมันคือสุรศอันนัสนัสนัสนะครับ <laughs> เก็บตัวรอด้วยนะโนูนอ้าซัดนัดแล้วก็ใส่ตัวรอด้วยอันนัสรนะครับผม เรนต้นนะครับบิสมิลลาฮิ р rahmани р rahim บิสมิลลาฮิ р rahmани р rahim ัฎจานอสรุลลอฮิวะนฟัต หลายหคนจะอ่านเก็บผิดตอนท้ายอายะฟาอาตาฟัตฟาอาตาฟัตแล้วเราอย่าลืมตัวฮาเลกให้เก็บตัวฮาไปพร้อมตัวตาเป็นฟัตตานี้เลยฟัตตาอิจจอนัสรุลลอฮิวนฟัตตาครับผมไปอายะที่สองนะครับยาวนิดนึง ว่ารอไอตันนาเสยด็กโคลูนาฟีดินิลลาฮีอัฟวาจาอีกครั้งนะครับว่ารอไอตันนาเสยด็กคลูนาฟีดีนิลลาฮีอัฟวาจา Allahumma Al fa sabbih bi hamdi Rabbika wa s ih, a ha t a firnu ไม่ใช uh <ke> ่ fa s a b b i นะครับผม fa sabbih bahi hambih fa sabbih bi hamdi Rabbika That, จังหวะตอนเก็บตันท้ายอญญาญะนะครับฟาอี้รอฟิร์ฟิร์แล้วอย่าลืมตัวฮาใหญ่ด้วยฟิร์วิธีการพูดตัวฮาก็พูดทางทางจมูกฟิร์อ่าอย่าลืมเก็บตัวฮาแล้วนะอย่าแค่ฟิร์ต้องฟิร์อ่าวัสดาฟิร์ อ่าอย่าล okay. ืมอย่าลืมตัวฮาใหญ่ด้วยนะครับอินนหูกาณเจวาบาโอเคตามผมนะบิสมิลลาฮิร rahmanir rahim อี ذا เจออานัสรุล u l l ฮิวันฟัด ว่ารอไอตั ي นั้นเสียِคุลูนับฟีดิَ ف ลลาฮิอัลวาจานั้นเสียดคุลูนับฟีَินิลลาฮิอัลวาจาฟั ب ِบบิฮ์บิฮัมดิรับบิควَสตาอูฟิบ รบวตอันัมดูละครับนักศึกษาทุกคนเดือนหน้าเดี๋ยวพบกับสุราต่อไปนะครับวัสลามบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะหีม الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านอิมามอับดุลรอนีบริสุทธ์นะครับ ผู้รับผิดชอบโครงการของสมาคมอิสลามเพื่อการศรัทธาและพัฒนาสังคมอัลฮัมดุลิลลาห์และพี่น้องมุสลิมและมุสลิมะที่รักทั้งหลายครับก่อนอื่นผมและพี่น้องจะต้องรำลึกถึงอัลลอ์ขอบคุณอัลลอ์ให้กล่าวว่าอย่างนี้อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้อง อัลฮัมดุลิลลาเนี่เป็นการขอบคุณอัลลอ์ที่ดีที่สุดไม่มีคำกล่าวอื่นใดที่ดีไปกว่าคำที่ท่านนาบีสอนเมื่อท่านพี่น้องนึกถึงเนืยอัตนึกถึงของดีๆที่เราไม่เคยได้รับในชีวิตแต่วันนี้พี่น้องครับเราได้อยู่ในศาสนาของอัลลอฮ์ ได้รู้ จ, จักเนื้อมาที่อัลลอฮ์ให้กับเราที่น้องนึกถึงตัวเราเองที่มีสุขภาพแข็งแรงแต่ว่าต้องกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์เมื่อก่อนนี้เราไม่มีที่อยู่วันนี้มีที่อยู่ Al อัลฮัมดุลิลลาห์เมื่อก่อนนี้ไม่มีสามีวันนี้มีสามีอัลฮัมดุลิลลาห์ คนที่ไม่มีสามีก็ขอดูหาต่อนะครับอยากให้มีสามีให้ขอว่าอย่างนี้อัลลอฮุมม่าเจวินีเจวันซอลิฮันโออัลลอฮ์โปรดให้ฉันได้แต่งงานกับผู้ชายที่มีศาสนาผู้ชายที่ดีต้องขอดธิฐาจากอัลลอห์พี่น้องอย่าคิดว่า เนื้มาที่เอาล่อให้นั่นมาด้วยความเบืงเอินเนี่ยไม่มีหรอกครับพี่น้องทั้งหมดนั้นอยู่ใต้การคุ้มครองดูแลอนุมัติจากอัลลอฮฺสุบฮานุลลาลาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นขอบคุณอัลลอสุบฮานะฮูวาตาลาครับที่เรานอนหลับไปเมื่อคืนนี้แล้วก็ให้เราตื่นขึ้นมา พี่น้องก็ต้องกล่าวขอบคุณ a วอัลฮัมดุลิลลาฮิลลอะฮยานบาดมอมตานว่อิไลฮินูชนี่เป็น د ع อที่นบีท่านนบี m u h a m a d ซลสั่งเอาไว้บอกเอาไว้ท่านนบีเองก็ทาท่านทาตามที่อัลลอ์สั่งพี่น้องภรรยาของนบีทุกคนก็อ่าน د ع อ ء บทนี้และลูกของนบีทุกคนก็อ่าน د ع อ ء บทนี้ พี่น้องครับเช้าเช้าเช้าเ้าเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วพี่น้องขอบคุณอัลลอฮ์พี่น้องก็ต้องอาบน้ํานมาดแล้วก็ก่อนทุกครั้งจะจะน้ำมาต้องแปรงฟันพี่น้องอาบน้ําน้มาดเสร็จแล้วต้องน้ำมาดขอบคุณอัลลอฮ์เพราะมันเป็นงานประจําวันชีวิตของมุสลิมต้องผูกพันกับอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตาละเมื่อน้ำมาเสร็จแล้วเนี่ยอัลกุรอสอนอีกครับพี่น้องอี่นอน พี่น้องอาจจะงงงเอ๊ะนอนไม่ได้ก็บ้านของเราชีวิตของเราจะทําอะไรตามใจชอบได้ไหมไม่ได้ครับพี่น้องชีวิตของเราต้องเดินตามหลักการที่ท่านนาบีมุฮัมมัดวางไว้ยกเว้นคนป่วยคนป่วยนี่นอนได้เลยแต่คนไม่ป่วยเนี่ยพี่น้องอย่านอนขอร้องอย่านอนพี่น้องมันฝืนคําสั่งของท่านนาบีผมขอเล่า ที่มาของฮะดีสบทนี้มีวันหนึ่งท่านนาบีหลังจากนามาศุบเสร็จแล้วนบีไปเยี่ยมบ้านลูกสาวพี่น้องพ่อเยี่ยมลูกไม่ดิเสียหน้าทุกไหนนะครับไปก็ไปเยี่ยมลูกสาวปรากฏว่าเข้าไปในบ้านลูกสาวเห็นท่านหญิงฟาติมาลูกสาวของท่านนาบีเองเนี่ยกําลังนอนอยู่หลังจากนามาศูบเสร็จแล้วนบีปลุก ลูกขึ้นเถอะลูกขึ้นลูกขึ้นอย่านอนอัลลอฮฺพี่ น, อน้องภาษาน่ารักมากครับผูู ด, ดีมากลูกขึ้นมามาม า, มารอรับริสตีเครื่องยังชีพที่อัลลอฮฺจะจัดสรรเครื่องยังชีพให้ตั้งแต่รุ่งอรุณของเวลานะมาสุบอกจนกว่าดวงอาทิตย์จะขึ้นนบี บ, บอกกับลูกสาวนะครับอย่านอนลูกจ๋าลูกอย่านอนนะ ลูกต้องลุกขึ้นมานะครับแล้วก็มารอรับริสกีเครื่อนยังชีพที่อัลลอฮ์จัดสรรให้ตั้งแต่รุ่งอรุณตั้งแต่ได้เวลานมาสุโบเนี่ยจนกว่าดวงอาทิตย์จะขึ้นลูกอย่านอนเพราะอัลลอฮ์จะจัดสรรริสกีของอัลลอฮ์เนี่ยให้อัลลอฮ์พี่น้องแสดงว่าเวลารุ่งอรุณเนี่ยกับจนกว่าดวงอาทิตย์จะขึ้นเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดพี่น้อง เป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดใครสอนครับออกมาจากริมฟี่ปากของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลเดียอุบซาลับพี่น้องครับคนที่เอาสุนนะของท่านนาบีไปใช้พี่น้องข้อนี้นะถ้าทําธุรกิจเจริญหมดเลยครับถ้าจะค้าขายอัลลอฮ์พี่นอ้องอัลลอฮ์มีพี่น้องหลายคนนะครับขายอะไรนะปลาตุ้มโกกับน้าชาสามารถส่งลูกเรียนแพทย์จบถึงสองสามคน ด้วยอาชีพเล็กๆ น, น้อยๆแล้วก็ี่นอนทั้งหลายพมเป็นประกาศหนังที่เป็นความเจริญจากอัลลอฮฺสุบฮานาฮู ว, วดาดะลาเพราะได้พอทำตามที่ท่านนาบีสอนขายปลาถึงกัวกับน้ําชาพี่น้องเช้าๆเนี่ยมีออเดอร์เต็มแล้วก็ทั้งหลายมีออเดอร์เต็มไปหมดพี่น้องครับแล้วก็มีจักรยานคันนงึงส่งส่งตามบ้านตามบ้านตามบ้า น, าานเป็นริสกีที่สามารถส่งลูกเรียนแพทย์จบนะครับพี่น้องทั้งหลาย ขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานาอูวาตาลาที่ท่านพี่น้องได้รับเนื้อมตของอัลลอฮ์มีบ้านหลังหนึ่งก็ต้องนึกถึงอัลลอฮ์มีลูกที่ซอลแลห์อัลลอฮุมะฮัมดุลิลลาฮ์มีหลานอัลฮัมดุลิลลาฮ์พี่น้องบางคนนี่พี่น้องครับไปขอถวายต่ออัลลอฮ์ถึงมกกะกานั่งเครื่องบินไปขอถวายถึงมกกะกาพี่น้องอยากจะได้หลานสักคนหนึ่งอัลลอฮ์ไม่ให้อ่ะ ดยความอดทนสบัตพี่น้องไปมา ก, ก้าหลายเที่ยวไปขอที่มา ก, ก้าเสร็จแล้วอัลลอฮ์ก็ให้อัลฮัมดุลิลัยพี่น้องแต่นั่นต้องเลือกถึงเนื้มัตความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้กับมนุษย์ทุกคนนะครับพี่น้องคนที่ไม่ขอบคุณอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์โมโหไหมอัลลอฮ์ประวิงเวลาเอาไว้ไม่ขอบคุณฉันก็ไม่มีปัญหาอยู่ไปเถอะบนดุนยาใบนี้จนกว่าท่านจะตาย อัลลอฮ์มีลักษณะพิเศษก็คืออัลลอฮ์มานีรอฮีคีน้องครับ ถ, ถ้าท่านไปน้องอ่านอาย่านี้ดูความเข้าใจพี่น้องต้องขอบคุณอัลลอฮ์นะที่อัลลอฮ์ไม่ลงโทษที่อัลลอฮ์ไม่ไม่เล่นงานนะนะพูดตามภาษาพวกเราเนี่ยนะอัลลอฮ์ไม่ลงโทษไม่จัดการเล่นงานกับคนที่ไม่เอาอัลลอฮ์เนี่นะอัลลอฮ์ยังให้เครื่องยังชีพ ให้เขาได้หายใจออกซิเจนของอัลลอ์เนี่ยฟรีๆเลยพี่น้องเอาไปเลยหายใจก็ไปฉันให้ฟรีไม่เคยเก็บเงินสักบาทหนึ่งนะครับพี่น้องทั้งๆ ท, ที่คนนี้ไม่เคยสูจูดกับอัลลอ์นะครับแล้วก็ไม่รู้จักอัลลอ์ไม่รู้จักศาสนาของอัลลอ์ไม่รู้จักวัาโลกดุนยานี่ใครสร้างพี่น้อง เขาไม่ไม่ยอมเรียนพี่น้องเรียนทุกอย่างนะเรียนหมดแต่ว่าเรียนเรื่องอัลลอฮ์ไม่ยอมเรียนอัลลอฮ์ก็ไม่ว่าอะไรพี่น้องแต่อัลลอฮ์จะประวิงเวลาเอาไว้อาประวิงไว้ประวิงไว้กี่ปีครับจนกว่าเขาจะตายที่ว่าประวิงเวลาไม่ลงโทษเพราะสิฟัดลักษณะของอัลลอฮ์ข้อหนึ่งก็คืออัลรอฮ์มานอัลลอฮ์มานที่ได้พี่น้องอ่าลสุรอฟัติฮะเนี่ย บิสมิลลาฮิร rahma nih rahim ฉันขอเริ่มต้นทำงานของฉันด้วยนามของอัลลอฮ์อัลลอ์พี่น้องคนที่เริ่มต้นจะทำความดีสักอย่างหนึ่งด้วยนามของพระเจ้านี่พี่น้องเป็นความประเสรฐิฐการยิ่งใหญ่เหลือเกินพี่น้องพี่น้องจะขับรถอ่านบิสมิลลา์จะทานอาหารอ่านบิสมิลลา์จะดื่มนม้ำอ่านบิสมิลลา์ อัลลอฮ์พี่น้องจะทําอะไรก็ตามให้เริ่มต้นด้วยนามของอัลลอฮ์ว่าบิสมิลลาห์บิสมิลลาห์มีสองความหมายความหมายหนึ่งก็คือฉันขอเริ่มต้นทํางานของฉันด้วยนามของอัลลอฮ์ด้วยพระนามของอัลลอฮ์สองฉันขอเริ่มต้นทําความดีด้วยการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ด้วยความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์พี่น้องครับพลังความสามารถของเราเนี่ยจำกัดนะ จำกัดจริงๆพี่น้องถ้าเอา ล, ล้อไม่ให้เนี่ยไม่มีโอกาสที่จะขับรถมาไม่มีโอกาสที่จะตื่นนอนไม่มีโอกาสที่จะทานน้ำไม่มีโอกาสที่จะทําความดีพี่น้องพี่น้องครับฉะนั้นจะทําอะไรก็ตามให้อ่านว่าบิสมิลลาฉันขอเริ่มทําความดีตั้งต่อไปนี้ด้วยนางของอัลลอฮ์ด้วยการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ด้วยบรารักัดด้วยความจำเริญจากอัลลอฮ์ สุภานาหูตาลามีอยู่3ามรายการนะครับหนึ่งเริ่มต้นโดยนามของอัลลอฮ์สองขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์สมขอให้งานที่ทำนั้นมีความจำเริญมีบรารัคคำอัลกุสมิลลาห์มีสาความหมายนะครับพี่น้องทุกท่านอัลลอฮ์มานผู้ทรงไว้ซึ่งความการุณาปราณีอัลลอฮ์พี่น้องบนโลกดุนยาไปนี้คนจะเอาอัลลอ์หรือไม่เอาอัลลอ์อัลลอ์ให้ ทุกคนเลยครับพี่น้องทั้งหลายจะมีศาสนาหรือไม่มีศาสนาจะรู้จักอัลลอฮ์ไม่รู้จักอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ครับที่หน้าหน้าที่ของมุสลิมในพี่น้องนะที่มานั่งอยู่ในมันจเลิสเนี่ยพี่น้องพี่น้องครับหน้าที่ของมุสลิมทุกคนจะต้องรู้สามเรื่องต้องรู้สามเรื่องพี่น้องเมื่อเรารู้แล้วเอาความรู้นี้ถ่ายทอดให้คนที่บ้านได้รู้อีกนะครับ หนึ่งรู้จักเรื่องของอัลลอ์ก่อนรู้จักเรื่องของอัลลอ์ก่อนไปนะ้องอัลลอ์อยู่ที่ไหนอัลลอ์มีคุณลักษณะ99พระนามที่เราเรียกในภาษาคุรานก็คืออัสมาอุลฮุสนานะครับเป็นพระนามที่สวยงามยิ่งภาษานี้ไม่ใช่มนุษย์ตั้งไปนะ้องอัลลอ์เป็นผู้ตั้งเอง เรียกว่าอัสมาอุลเลาหสนานามชื่อทั้งหลายที่สวยงามยิ่งมีทั้งหมดเก้าสบเก้าพระนามท่านามมมาอับดุลเลาะหสัลลัมสอนต่อไปอีกว่าใครที่สามารถท่องจำท่องจ ำ, งจำนะพี่น้องนะท่องจำพระนามของอัลลอเก้าสบเกพระนามให้จำอัลลอ์พี่น้องดะคลัลจันนะ คนนั้นนะถ้าตายแล้วได้ไปสวรรค์ของอัลลอฮ์คนที่ท่องลักษณะของพระเจ้าเนี่ยเกพระนามพี่น้องครับถ้ารู้ความหมายของมันด้วยนะจะไม่มีใครกล้าทําความผิดผมมั่นใจนะครับไม่มีใครกล้าทำบาปไม่มีใครกล้าที่จะทรยศ ต, ต่อคําสั่งของอัลลอฮ์เลยพี่น้องจะประคองตนเองตลอดเวลาพี่น้องยิ่งท่านพี่น้องมาอ่านกุณอ่าน นีสร่น่ประเสริฐทีบาดีนรงกักดิ์ิิี่สุดีู้ทรักุลลสิทธุดีเปลลยย็น้งกดที่ดที่น้องิท์ี่ดทา้งสมาดมพิทธ์ทดเป็น้วยงายด้วสิี่ออสุรที่เนู้ทรงศักดิหสิท่ า, าุนทุกคืนี่เป็น้องอท่าท็นทรงศักด่านเพื่เใหน้เรงนึกถึง พี่น้องครับถ้าไม่อ่านกรุรานเราจะไม่นึกถึงใครแล้วจ้ะพี่น้องถ้าอ่านกรุรานอาย่นี้สุรานี้ก่อนนอนทุกคืน tabarakan ladi bi a d h ล l mulku wahwa ala k ก l l i s h a y อ n kadi alladi k h a l ล q a l maudawal hayatali abluwakum พี่น้องอ่านเยอะผมอ่านทุกคืนพี่น้องต้องเสียเวลานั่งอ่านกรุรานไม่จะเสียเวลา เอาเวลานี่มาขอบคุณอวโลก่อนนอนไปน้องอ่านรู้ไหมอ่านคุรานซูระอนนี้น่ะทำให้เราสอนให้เรานึกถึงอะไรสอนให้เรานึกถึงความตายพี่น้องถ้ารู้ความหมายของคุรานทั้งหมด30สิบอายาพี่น้องเอาลอดสอนหลายเรื่องในนั้นแต่เรื่องใหญ่ก็คือให้นึกถึงความตายพี่น้อง ถ้าเราไม่นึกถึงความตายนี่ไปน้องครับมันอร่อยมันเพลินแต่ถ้านึกถึงความตายบ่อยๆนี่ไปน้องทําให้เราเนี่ยได้ประคองตนเองชีวิตต้องต้องประคองไปน้องถ้าหากเราไม่ประคองชีวิตเรานะเดินตามอารมณ์ถ้าเดินตามอารมณ์ไปน้องมันอร่อยจริงๆสนุกจริงๆผมขอยกตัวอย่างครับมีลูกชายของ ของกษัตริย์มุสลิมสมัยอุมาร์บินอับดุลอาซิสอาผมขอเล่าท่านอุมาร์บินอับดุลอาซีสนิดหนึ่งว่าท่านคนนี้นะ่ะมาอย่างไงท่านอุมาร์บินอับดุลอาซิสนี่เป็นคอลิฟะเป็นคอลิฟะพี่น้องเป็นคอลิฟะนะพี่น้องนะอุมาร์บินอับดุลอาซีสเนี่ย มาจากตระกูลท่านอุมรัรบินขอตอบรอเดย์ลอฮ์หวานูท่านอุมรัรเป็นคอลิฟ่าคนที่สองหลังจากท่านอบูบักรอเดยย์ลอฮ์หวานูนบีมานบีเสียชีวิตก็แต่งตั้งท่านอบูบัรเป็นคอลิฟ่าอยู่กี่ปีสองปีครึ่งท่านอบูบัคเสียชีวิตแล้วต่อมามาแ ต, แต่งตั้งท่านไซดีนาอุมรัรรอเดย์ลลอฮ์หวานูไซนาอุมรัรนี่พี่น้อง ท่านเป็นคอริป้านี่ท่านดูแลบ้านเมืองพี่นอ้องเอาหล่อชั้นหนึ่งมากกับพี่น้องกลางคืนนี่เดินตรวจงานเดินตามหมู่บ้านเนี่ยตามซอกตามซอยเดินเดินเดิ น, เ ด, นเดินไปได้ยินแม่กับลูกบ้านหนึ่งกําลังคุยกันแล้วก็เสียงเถีย ง, งกันนะนะท่านก็ไปยืนฟังแม่สั่งลูกว่าอย่างนี้ลูกจะเรามีธุรกิจนม เรามีอาชีพขายนมเรามีธุรกิจนมพี่น้องชนะลูกพวกนี้นะเอานมเนี่ยเอาน้ําใส่นมเยอะๆเอาไปขายจะได้เงินเยอะไงพี่น้องเคลืเรื่องทํามากินดีไหมดีจะคิดผิดเนี่ยเราเอาเรื่องนะแม่บอกว่าลูกเอาน้ําใส่นมและพวกนี้เอาไปขายจะได้ลิสกีได้เงินเยอะลูกบอกว่าไม่ได้คุณแม่ไซดีนาโอมาสเนี่ยสอนเอาไว้ บอกว่าห้ามเอานมผลน้ําแล้วเอาไปขายประชาชนไซนาอุมัตห้ามเด็นข้าเลยอเขาล้อไปเนาะก็ไซนาอุมาตเนี่เก่งข น, นาดไนเนี่ยหนึ่งพันสี่รอปีสมัยนิ่นน่ะยังสอนให้คนเนี่ยไปน้องไม่เอาน้ำผลนมแล้วไปขายประชาชนคุณแม่บอกว่าลูกเอ้ยถามเธอไซนาอุมัตนอนอยู่ที่บ้านไม่เห็นหรอกเอาล้อเนี่มันเข้าตากูราเลยใช่ไหมแต่เมื่อคนสั่งนอนอยู่ที่บ้านน่ะ เขาไม่เห็นนี่จะกลัวอะไรลูกบอกว่าแม่ถ้าหากว่าไซนาอุมัดมองไม่เห็นแต่รอบบัวอมามัะผู้อภิบาลของไซนาอุมัดมองเห็นนะอลรรนี่ภาษานี่ออกมาจากเด็กผู้หญิงไปน้องลูกสาวอรรนี่ไปน้องฟังาศาสนาจากไซนาอุมัดเนี่ยมันเก็กี่น้องมันเข้าไปในหัวใจเลยไปน้องถ้าไซนาอุมัดมองไม่เห็น ผู้ที่มองเห็นคือใครอลัอลลอฮ์อัลลอฮ์มองเห็นแม่ทำไม่ได้สนามัดจะยินเหตุการณ์จะยินยืนยนหน้าบ้านจะยินหมดเลยเขาคุยเรื่องอะไรกันี่น้องคือนั้นท่านก็ดีใจไปน้องกลับไปร้องไห้เป็นนมาขอบคุณอลัลลอ์ว่าคนในหมู่บ้านเรายังมีคนอิมานศรทัทธาต่ออลัลลอฮ์ยังมีไปบอกภรรยาบอกเธอผู้ทีเช้าไปเชิญคนบ้านเนี้ยมา มาพบฉันหน่อยพยยาก็ไปไปเชิญมาพี่น้องก็แม่กับลูกสาวสองคนนี่มาพบไซนาโอมาสพี่น้อง ค, คุยนู่นคุยนี้หลายๆเรื่องเสร็จแล้วก็ทราบค่าว่าลูกสาวคนนี้นะ่ะยังไม่ได้แต่งงานพี่น้องบางราย ง, งานบอกว่าแต่งงานแล้วเป็นแม่หม้ายไซนาโอมาสก็ขอหญิงคนนี้ให้แต่งงานกับลูกชายของตัวเอง หาลูกสะพ้ยมาหลายหลายปีแล้วยังมาไม่พบเพิ่งมาพบคืนนี้แหละพี่น้องครับเขาเลือกไซนาว์มาเลือกผู้หญิงที่กลัวอัลลอฮ์เลือกผู้หญิงที่ إ ي م านต่ออัลลอฮ์พี่น้องผู้หญิงที่ภรรยาที่มี إ ي م านต่ออัลลอฮ์เนี่ยทําให้ครอบครัวมีบราระกัดพี่น้องพี่น้องไม่ต้องไปกลัวอะไรเลยกลัวอัลลอฮ์องเดียวพี่น้อง ออ ก, ก็นิกายการไปนองนี่ไงได้ลูกได้หลานมาชื่ออ um ูมัดบินอัลดุลอาซีนี่มาจากพ่อที่ดีและแม่ที่มีาศาสนาแม่ที่กลัวอัลลอฮฺสุบฮานาหุบตาได้ได้ลูกมาชื่ออ um ูมัดบินอัลดุลอาซีสมาจากตระกูลที่แม่ที่กลัวอัลลอฮ์ไม่กล้าเอานมไปคนน้ำขายประชาชนไปน้องครับท่านอ um ุมัดบินอัลดุลอาซีสเนี่ย สมัยนั้นน่ะมีกษัตริย์มุสลิมชื่ออับดุลมาลิกและมีลูกชายนะครับชื่อสุไลมาลูกชายกษัตริย์พี่น้องทั้งหลายนะครับพูดประกาศบอกว่าใครว่าครอบครัวกษัตริย์จะหาความสุขใส่ตัวไม่ได้ใครว่าฉันจะทำให้ดูพี่น้องครับลูกชากษัตริย์ประกาศฉันจะทำ ให้ดูว่าใครว่าครอบครัวกษัตริย์จะหาความสุขใสยตัวไม่ได้พี่น้องครับลูกชายกษัตริย์ท่านนี้ชื่อโุลัยมานพี่น้องทราบไหมเขานิกาข้างละสี่คนนิกาข้างละเท่าไหร่นะสี่คนนักคนอย่างลูกชายกษัตริย์เนี่ยต้องเลือกได้ใช่ไหม ตัวเอา most beautiful ที่สวยที่สุดในประเทศใช่ไหมเลือกมาเลือกมาเลือกมานิกาพี่ละสีคนพี่น้องนิกายประมาณสักห้าหเดือนยาทั้งสี่นิกาใหม่อีก4ี่มีความสุขไหม อ, อ๋อสุขมากเลยพี่น้องแล้วอยู่กับผู้หญิงสวยๆอลอยพี่น้องมันอิ่มเอิบชีวิตจริงๆพี่น้องผมไม่ทราบว่า ในประวัติศาสตร์เนี่ยเขาแต่งกันกีนก่สิบคู่น่ยผมไม่รู้นะแต่ว่าแต่งสแต่งทีละสีอยู่ไม่กี่เดือนยาสีแล้วแต่งอีรักสีไม่รู้ว่าแต่งกี่ครั้งพี่น้องสรุปเสร็จแล้วอายุสามสิบห้าอัลลอฮฺให้ตายอายุแค่สามสิบห้าเองพี่น้องแสดงของแต่งไม่ขอคมคงไม่ถึงร้อยเพราะว่าตายครับอายุเท่าไหร่นะสามสิบห้ากำลังเป็นหนุ่มเลยนะ กำลังนุม่มยังแรงพี่น้องโอบโลพี่น้องเสร็จแรกปะนะครับอัลลอฮ์ให้ตายคู่ที่เอาไมยิทลมลงหลุมพี่น้องอุมัดบินอตุลอาจิสเป็นคอล์ดิฟาเลยพี่น้องเป็นอัลมะมะใหญ่พี่น้องยกไมยิททันสุไลมานนี่แหละครับลงหลุมก็นี่ลูกชายลูกชายของ โซลามาเนี่ยที่มีมีมลูกชา ย, ยืนอยู่ที่ปากหลุมพี่น้องไม่ทราบว่าอายุเท่าไหร ย, ยังเล็กๆอยู่ระหว่างที่อุ้มไม่ยึดลงหลุมเนี่ยศพที่อยู่ที่มือเนี่ยมันดิ้นพี่น้องศพดิ้นพี่น้องพอดิ้นเสร็จแล้วลูกชายที่ยืนอยู่ที่ปากหลุมพ่อฟื้นแล้ว พ, อพ่วพอฟื้นแล้วดีใจว่าพ่อฟื้นท่านอณมาร์ตบินอาตุนอาซีตอบบอกว่าพ่อเธอไม่ได้ฟื้น ท่านตอไนะอัจจัลลอฮฺบิลอาหูบนี่เป็นภาษาของของอุมัดบินอลอาซีสพูดไปนะอัจจัลลอฮฺบิลอาหฺบับอัลลอ์รีบลงโทษก่อนฝังอัลลอ์เริ่มลงโทษก่อนฝังพี่น้องทำไมอุมมัรบินลอาซีสพูดอย่างนี้พี่น้องครับ ขอมเป็นศพอยู่ที่มือในพี่น้องยังไม่ได้ฝังดินเลยแกพี่น้องยังไม่ได้ฝังไปที่ลูกหลุมพี่น้องศพดิ้นนะพี่น้องท่านบอกว่าก็ไม่ได้ื้นแต่อัดยาละลออูอัลลอฮ์รีบลงโทษบิลอาปูบะความผิดที่ท่านโซเลมานได้ทำเอาไว้คี่ต้องครับต้องการจะลั่งหัาใจพี่น้องฟังเหอนว่าความสุขบนดุนยานี้ต้องมีลิมิตนะครับจะหาความสุขใส่ตัวมีเลยนะ มีลิมิตมันต้องมีขอบมีเขตพี่น้องไม่จะทาอะไรก็ได้ตามใจชอบพี่น้องคนที่ใช้หาความสุขบนดุนยานี้ตามใจชอบพี่น้องครับเดี๋ยวมันจะเป็นแบบท่านสุไลมานศพอยู่พ้นมือของท่านเอามาบินอัลดุลอาซีส ย, ยังไม่ทันฝังถูกอัลลอฮฺลงโทษแล้วครับพี่น้องต่างหากพี่น้องครับชีวิตบนโลกดุนยาไปนี้พี่น้องต้องเดินตามอัลลอฮฺ แล้วก็เดินตามศูนานางของท่านนาบีเท่านั้นที่ข้องกลับหลายคนนี่ยังคิดว่าฉันเนี่ยไม่มีาศาสนาฉันฉันก็อยู่ได้ไม่นีมัญหาอยู่ได้ไหมได้อยู่บนดุนยานี่อยู่ได้แต่หลังตาอยู่ไม่ได้กบถึงองท่านลําบากแน่เลยที่ด้านคนที่เรียนรู้เรื่องอัลลอฮ์อัลลอฮ์อยู่ที่ไหนสิทธตของอัลลอฮ์มีอยู่เก้าสิบเก้าพระนามพี่น้องต้องเรียนครับ ข้อที่สองพี่น้องต้องเรียนรู้เรื่องศาสนาของอัลลอฮ์ศาสนาของอัลลอ์มีอยู่ศาสนาเดียวพี่น้องนึกศาสนาอะไรครับศาสนาอะไรนะอิสลามคุ ร, รานต้องไหนนะครับพี่คุ ร, รานอะธิบายไว้อินนดีนะอินดัลลอฮิลอิสลามแท้จริงศาสนาของอัลลอ์คือศาสนาอิสลาม ศาสนาของอัลลอฮ์คือศาสนาอิสลามครับพี่น้องทั้งหลายมาอธิบายอิสลามนิดหนึ่งอิสลามนี่แปลว่าอะไรอิสลามมีแปลว่าการยอมจำนนตนต่ออัลลอฮ์โดยสิ้นเชิงการยอมจำนนตนเชื่อฟังปฏิบัติตามอัลลอฮ์โดยไม่มีเชิงทั้งหมดพี่น้องยอมจำนนตนต่ออัลลอฮ์โดยสิ้นเชิง ทั้งการปฏิบัติทั้งหัวใจทั้งความคิดพี่น้องฉันจะเดินตามคําสั่งของอัลลอฮ์ทุกระเบียบยิ้เลยครับจะกินจะนอนฉันฟังอัลลอฮ์จะปฏิบัติตามสุนัขท่านนาบีเชื่ออัลลอฮ์ปฏิบัติตามสุนัขนาบีพี่น้องในยุคราวนี้พี่น้องเป็นยุค ข, ของนบีมุฮัมมัดสโลลัยหุสันละ ก่อนหน้านาบีมุฮัมมัดนี่มันยุคของนบีอิสราพระเยซูพีพ่น้องคนในยุคนั้นไม่ตามนั้นไม่ตามนาบีอีสาผิดก่อนหน้าพระเยซูนบีอะไรนะนบีมูซาอะเลฮิสซาามแค่นั้นคนที่ยุคใครยุคมันพี่น้องจะต้องเชื่อฟังอัลลอฮ์และเชื่อฟังรอซูนของอัลลอฮ์นะครับนบีที่อัลลอฮ์แต่งตั้งมาเนี่ยแต่ละยุคแต่ละสมัยไม่เหมือนกันกลยเป็นอะไร คนที่ต่อต้านนาบีมูซาใครเป็นน้องทราบไะฝฟาได้ครับฟาโรรอดหรือไม่รอดไม่รอดตอนนี้เป็นศพเป็นมัมมี่อยู่ที่ประเทศอีกิป์อัลลอฮ์เล่าในะคัมีรคุณอ่านนะอัลยลาะมานุนาดจีกะบบิบานีกะวันนี้ฉันรักษาเพียงแต่ร่างของฟาโร่ให้ท่านพี่น้องได้เห็นให้เห็นครับพี่น้อง แล้วก็อลัลลอฮ์ก็เล่าต่อไปอีกนะฉันลงโทษฟาโรห์วันละสองครั้งวันละสองครั้งพี่น้องตะวันขึ้นทีหนึ่งกับตะวันตกทีหนึ่งวันละสองครั้งพี่น้องถูกลงโทษลงโทษแบบไหนไม่ทราบผมอธิบายว่าสุไลมานอยู่บนแขนของท่านอุมัตยังถูกลงโทษแล้วครพี่น้องศพยังดินอย่างงี้พี่เท่าทั้งหลาย เขาจะจะทรามานขนาดไหนกันทัน้งหลายชีวิตหลังตายเป็นชีวิตที่เป็นเรื่องจริงนะครับพี่น้องตายแล้วไม่ได้ตายเลยพี่น้องตายแล้วอยู่ในการดูแลของอัลลอฮ์พี่น้องเห็นเห็นไหมเห็นศพ บ, บางศพใช่ไหมที่ตายแล้วไม่เน่าเคยเห็นไหมได้ยินข่าวออกมาบ่อยๆพี่น้องส่วนมุสลิมที่ไม่เน่าก็มีศพที่ไม่ใช่มุสลิมที่ไม่เน่าก็มี แล้วมันแตกต่างกันตรงไหนพี่น้องแตกต่างที่ศพที่เป็นศพที่เป็นมุสลิมที่เขามีาศาสนาก่อนตายนะครับเราไปขุดไปพบทีหลังพี่น้องศพไม่เน่าแต่กลินกล่นหอมกลิ่นหอมครับพี่น้องเรื่องนี้มันเกิดขึ้นที่ประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับพี่น้องศพ ฝังประมาณพันเกือบสามรอยกว่าปีพี่น้องเรื่องมันเกิดขึ้นใหม่ๆสักประมาณสักแปดสิบปีร้อยปีที่เองพี่น้องฝนมันตกฝนตกฝนตกฝนตกฝนตกพีนกนก่น้องสายมันก็หลุดไปหลุดไปหลุดไปปรากฏว่าไปปีศพศพหนึ่งพี่น้องเห็นศพยังสดอยู่เลือดยังไหลอยูอย่แล้วพี่น้องเลือดอีตอนฝังเนี่ยเขาเขาจะฝังแบบศพที่ตายเฉีนเนี่ย เขาห้ามอ่านน้านะฝังทั้งเลือดเลยใกล้พี่น้องทั้งหลายศพนั่นพิสูจนตอนหลังว่าเป็นศพของท่านขัมจักรเป็นลุงของท่านอับดุมฮัมหมัดใกล้พี่น้องหลังจากฝังมาแล้วพันสามร้อยกว่าปีนะใกล้พี่น้องอัลละขามาเข้ามากันอุลละมาตมากระะิย์มามาดูโ อ, painful, โ, อโอ้นี่ศพขัมจะกรแน่นอนเลยไม่ได้เน่าสักนิดนึงใกล้พี่น้องเหมือนศพสดสดปีน้อง แล้วก็เลืออย่างไหลอยู่กล้พี่น้องกลิ่นหอมมากครับพี่น้องกลิ่นหอมหมดเลือดครับพี่น้องบริเวณกูบดเนี่ยหอมหมดเลือดครับพี่น้องเขาก็เอายายศพนี่มามาฝังอีกที่หนึ่งก็แล้วเอาทรายมากรบกรบกรบไปพี่น้องแล้วก็ศพที่ไม่ใช่อีมานต่อลรอดไม่ไม่ไม่รู้จักเอาลอดพี่น้องกลิ่นเหม็นครับเป็นสาบเอาลอดให้เห็นนะใกล้พี่น้องมีสาบเหม็นคกล้พี่น้องแต่มันเหม็นเยอะนะ พอเข้าไปกล้ารู้โอ้นี่กิ่เหมอนเป็นสารพี่น้องครับนี่เอาล็อให้เห็นนานๆเพื่อได้เพื่อให้พิสูจน์ว่าโอ้ทำจริละนะชีวิตนี้เอาล็อเป็นเจ้าของครับพี่น้องไม่ใช่เกิดมาด้วยความบังเอิญตายแล้วก็จบไปไม่ใช่พี่น้องครับเพราะว่ามนุษย์เกิดมาบนโลกดุนยานี้มีเป้าหมายของชีวิตก็คือทุกคนต้องฟื้นนะครับแล้วก็ต้องไปรับรางวัล ความดีที่เขาทาวันนี้อลอสจัดสเบียงไปหมดแล้วพี่น้องครับทําความชั่วเอาไว้เรื่องบาปที่ใหญ่ที่สุดก็คืออยู่บนโลกโลกใบนี้นะไม่รู้จักอลอสการที่เราไม่รู้จักอลอสพี่น้องเป็นความผิดที่ร้ายแรงที่สุดผิดมากครับพี่น้องเพราะนั้นผมขอให้กําลังใจท่านพี่น้องในตัวของเองด้วยนะครับต้องเรียน เรื่องของอัลลอฮ์ถามท่านพี่น้องว่าอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนคําตอบก็คืออัลลอฮ์อยู่บนบัลลังของอัลลอฮ์บัลลังของอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนครับอยู่บนชั้นฝ่าอัลลอฮ์อยู่บนบัลลังของอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นยังไงไม่รู้อัลลอฮ์มีมือไหมมีแต่มือแบบเราหรือเปล่าไม่รู้พี่น้องเราเพียงแต่ยอมรับว่าอัลลอฮ์มีอัลลอฮ์ทรงเห็นทรงรู้ทรงได้ยิน เรียนเรื่องสิทธิ์ัของอัลลอ์พี่น้องครับให้มันเต็มที่ไปเลยการพี่น้องเรียนยุกกะตาตายข้อที่สองต้องเรียนรู้เรื่องศาสนาของอัลลอฮ์คำว่าอิสลามหมายถึงการอะไรนะการยอมจำนนตนต่ออัลลอ์โดยสิ้นเชิงแล้วก็นบีมุฮัมมัดพี่น้องเป็นเป็นศาสดาคนสุดท้ายไม่มีนบีมาอีกแล้วพี่น้องครับมุฮัมมัด is the last prophet of the world พี่น้อง เป็นนบีท่านสุดท้ายของโลกไม่มีนบีมาอีกแล้วผู้นำไม่มีมาอีกแล้วครับพี่น้องเพราะฉะนั้นพวกเรามุสพี่น้องผมดีใจที่มอัลลอฮอ่านอูกุรอานเมื่อี่นี่อัลลออ่านเหมือนกับเป็นมุสลิมเดิมๆพี่น้องอ่านได้ชัดช้อยชัดทางมาก Allah, อัลลอัฺอัลกุบดีลา ได้ไงพี่น้องครับเอาเวลามานั่งอ่านกุรานเอามวลามาศึกษาเรื่องของอัลลอฮ์พี่น้องเรื่องศาสนาของอัลลอฮ์พี่น้องอิสลามอีกข้อหนึ่งแปลว่าสันติอิสลามมีสองความหมายนะความหมายหนึ่งแปลว่านะยอมจำนนตนของอัลลอฮ์โดยสิ้นเชิงอันที่สองอิสลามแปลว่าสันติพี a นะครแปลว่าสันติดังนั้นชาวบ้านจะพูดว่าอิสลามเป็นผู้ก่อการร้ายนะฮะเขาว่าไปเลยพี่น้อง แต่เรื่องจริงๆนะใช่ไหมไม่ใช่นะครับส่วนมุสลิมกับอิสลามไม่เหมือนกันนะไปน้องนะอิสลามมีอยู่คนหนึ่งจะรับอิสลามที่นั่งอยู่ทํา ง, งานกับอยู่กับกลุ่มพวกผมเนี่ยนะคุณชาญชัยไปน้องคุณชาญชัยนี่มาเป็มุสลิมเป็นเจ้าของฟาร์มไก่ใหญ่ใ น, นกรุงเทพนี่ไปน้องครับประมาณแปดเก้าฟาร์มใหญ่มีเลี้ยงไ ก, ก่ทิ้งประมาณเป็นสิบสิบล้านตัวไปน้องครับ เขาบอกวันนี้ถ้าหากผมไม่ไม่เรียนอิสลามก่อนไปรู้จักมุสลิมก่อนเนี่ยเขาไม่รับอิสลามแ ต, แต่เขาเรียนนะเขาเรียนอิสลามพี่น้องเรียงว่าอัลลอฮ์ว่ายังไงนบีว่าอย่างไงเขาเอออิสลามคําสอนที่ดีมากพี่น้องแต่ไปดูมุสลิมมันกับตรรกะพี่น้องพวกเราเป็นมุสลิมม า, มานานแล้ว เขาจะเซ็งๆหรือเบื่อหรือเปล่าก็ไม่รู้นะทำอะไรไม่ตามคำสั่งเอาล่อเลยพี่น้องไอ้ถามตามก็มีไหมมีที่ไม่ทําตามก็มีไหมมีท่านเวลาจะมองอิสลามอย่ามองที่ตัวบุคคลให้มองที่อัลกุรอานและมองที่สุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดสโลโลอื่นอยู่อัลลอฮพี่น้องครับวันนี้กุรอานอายาที่14นะครับพี่น้อง15 15 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم หน้า هو الذي جعل لكم الأرض لولم فمشوا ا في مناكبها والذي جعل لكم الأرض لولم فمشو في مناك بها وكل من رزقه وإليه مشور.والذي جعل لكم الأرض لولم فمشو ฟัมชูฟีมานาคีบิฮะวะกุลูมิริซุตีฮิวะอิลัินุชินาองอัลลอฮนี่เป็นคำดำรัสของอัลลอฮมนุษย์คิดเองไม่ออกน้อแม้แต่คนอาหรับที่พูดภาษาอาหรับเก่งกันานไหนก็ตามแต่งมาสักวักหนึ่งแต่งไม่ได้ เอาล้อทาแล้วท้ามาหนึ่งพันสี่รอยปีว่าอา้าคนที่เก่งภาษาหรับทั้งหลายเขียนกูรอ่านมาสักวักหนึง่งให้เหมือนกับที่อัลลอฮ์ส่งมาผ่านวายมารีวิลมาเนี่ยเอาเอาใครทำก็ได้พี่น้องมาสำเร็จมีอยู่คนหนึ่งคิดทำพี่น้องคิดทำเลยนะเอากระดาษมาซื้อกระดาษมาวางไว้ดึงกระดาษมามาแต่ง อ, อ่านอ่านอ่านไม่ท่ามไม่เข้าตากลกรรมาการเอาขยำโยนทิ้งอย่างนี้แหละอีกแผ่นนึงมาเขียนเขียนอ่านอ่านขยำโยนพี่น้องไม่รู้ว่านั่งกี่ชั่วโมงเขาแข็งหน้าขึ้นมากระดาษทุ่มหัวเลยอล๋อนั่งไม่รู้ว่ากี่ชั่วโมงข้าวปลาไม่ได้กินน้ำไม่ได้ดื่มพี่น้องก้มเขียนอย่างเดียวเขียนเขียนเขียนขยำทิ้ง ขยามที่เง้นหน้ากินมากอะไรกันเนี่ยกระจาษเต็มห้องเลยอ่ะไม่ได้พี่น้องสุนทรไทยอัลชาดุอัลเลาะฮิละอิลลอฮฺลลปฏิญาณรับเลยว่าอัลลอฮฺมีองค์เดียวนี่แหละคุรานมาจากอัลลอฮฺแล้วและมุฮัมมัดเป็นรอซูลของอัลลอฮฺแท้จริงพี่น้องพ่สูจนมาแล้วพี่น้องฉะนั้นกุรานวักสั้นๆพี่น้องครับ อัลล์มีความหมายามาดูความหมายนะครับกุว่าีคุว่าก็หมายถึงเขาก็คืออัลลอ์นั่นแหละนะนะอัลลอ์มีสิฟธิ์อะไรครับยะละลากุมอัลลอฮ์ทรงทำให้สูงเจา้าทำอะไรครับ อ, ล อ, ล อ, ล อ, ล อ, อัลลอฮ์เออภาษาอาหรับภาษาอัเกตเหมือนกันไปน้องไม่รู้ว่าใครลอกใครแต่ผมว่าลอกอกุรอานมากกว่า วันละดีใจดั่งกุมูลอัลลอผู้ทรงสร้างหรือว่าทําแผ่นดินนี้นี่พี่น้องครับที่เรานั่งอยู่นี้พี่น้องครับอัลลอฮฺสร้างแผ่นดินนี้มาพี่น้องอัลลอฮฺขอบคุณอัลลอฮฺพี่น้องอัลลอคิดเงินเบาวเดินแผ่นดินของอัลลอฮฺนี่พีน้องเราปลูกบ้านอีกพี่น้องละขับรถนี่พี่น้องอัลลอฮฺไม่คิดบัญชีเลยแต่รัฐบาลเก็บ อัลลอฮ์ให้ฟรีๆอ in ัลฮัมดุลิลัยพี่น้องแผ่นดินนี่เป็นของอัลลอฮ์อัลลอฮ์สร้างมาครับพี่น้องพี่น้องอัลลอฮ์สร้างแผ่นดินสร้างชานฟ้ารัศรีสิ่งเนี่ยกี่วันพี่น้องทราบไหมสี่วันสร้างมนุษย์มาเนี่ยวันสุดท้ายพี่น้องตั้งแต่หลังนมาตอัสุรีถึงมะกริบพี่น้องอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาสร้างอาดัมมา สร้างชั้นฟ้าแผ่นดินแล้วก็อาหารริสกีที่จะมาเลี้ยงดูมนุษย์เนี่ยสร้างกี่วันปีน้องสีวันแล้วก็สร้างมนุษย์เนี่ยไม่กี่ชั่วโมงปีน้องแล้วก็วันนี้ปีน้องมนุษย์นี่น่ยกลัวขอยของสีวั น, นจะหมดมนุษย์นี่กลัวของที่เอาล่อสร้างมาสีวันเนี่ยจะหมดอ ah. ๋อปีน้อง ถ้าถามผมผมไม่กลัวเลยพี่น้องเลราะว่ Allah, พี่น้องชีวิตเรานี่นะเรามองดูให้ดีนะเราเนี่ยดีกว่าเก่านะ่ะอ้าเมื่อก่อนนั่นมีรถจั ก, กรยานเดี๋ยวนี้มีมอเตอร์ไซค์แล้วก็ต่อมาก็มีรถเพิ่มขึ้นใช่ไหมเมื่อก่อนมีบา้านมากบ้านหลังเล็กๆเดี๋ยวนี้ก็ตอนน้นตอ น, นู่นต้อนี่เพราะว่ายายกัเก้านี่พี่น้องมาจากไหนเลยพี่น้อง มืตอนในมีหลานคนเดียวใ่มีห้าคนมาจากไหนเลยพี่น้องเอาลธรรมดามันยังอยู่มันยังยุบใช่ไหมล่ะย่อยู่ยิ่งยุบนี่อยู่ยิ่งเพิ่มผมอ่านหนังสือพิมพ์ของอาจารย์คริตริศปราโมทท่านเสียชีวิตไปแล้วท่านบอกว่าเขาก็สงสัยอ่ะดวงอาทิตย์อันนี้มีต่อสมัยน้าแล้วอ่ะ ถ้ามาได้ความร้อน่ยิ่งอยู่บางยิ่งมอดลงมอดลงไอ้ น, นี่ยิ่งยิ่งร้อนขึ้นร้อนขึ้นร้อนขึ้นนี่มันอะไรพี่น้องเขางงนะเพราะเขาไม่รู้ว่าที่มาคือเอาล่ อ, นอเนี่ยไอ้ไม่พี่น้องยิ่งร้อนขึ้นร้อนขึ้นร้อนขึ้นใช่หรือไม่ใช่อ่ดูเท้าเรา ด, ดูเท้าเราพี่น้อ ง, องลองลองลองลองไม่ไม่ใส่รองเท้าเดิน่ะ ยิ่งเดินยิ่งหนาแปลงนะใช่หรือไม่ใช่ยิ่งเดินยิ่งหนายิ่งเดินยิ่งหนาอัลลอฮุดูพี่น้องเราปู่ย่าตายายเราที่ทําทุ่งที่อยู่กลางทุ่งกลางนาที่ทำไรนะทํานาทําไรพี่น้องเดินไม่ใส่รองเท้านะเท่าไปไหครับยิ่งเดินยิ่งหนายิ่งเดินยิ่งหนาไอ้รองเท้าของเราที่ซื้อมายิ่งเดินยิ่งเบายิ่งเดินยิ่งยุบใช่หรือไม่ใช่ไอ้ของดุนยาเนี่น้องยิ่งเดินยิ่งหายแต่ของที่มาจากอัลลอฮ์นี่พี่น้อง ยิ่งทํายิ่งเพิ่มอ่ะใครทําได้อาห้ามอยู่เลยเลพี่น้องคิดเล่นเด็กไม่น้อยเออห้ามอยู่เลยอ๋อโรคอักเสบยิ่งใหญ่ครับฉะนั้นไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวว่าริสกีบนดุจยาจะหมดไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องห่วงว่าเออจะหมดยังไงไม่ต้องห่วงครับพี่น้องผมนึกถึงดับเบิดัม น บ, บีอาดามนี่ถูกสร้างมาช่วงเย็นเย็นพี่น้องพออัลลอฮฺเป่าวิญญาณเนี่ยยังไม่ทันลมไปที่ร่างนะเฉพาะด้านศีรษะอย่างเดียวนี่ฮะดิษมีในตับซิดอิบนุอิบนุกะซิรอัลลอฮฺเป่าวิญญาณพี่น้องพอผ่านหูผ่านตาพอมาถึงคอนะน บ, บีอาดามพูดเลยพี่น้องือมาพูดว่าไงรีบสร้างฉันให้ไวๆหน่อยพอมาถึงคอพี่น้อง ยังไม่ได้เข้าข้างล่างเลยนะรอสร้างแทนไว้ไว้หน่อยจะให้ตะวันตกก่อนนะสร้างก่อนตะวันตกเห็นไหมนี่ยมนุษย์ใจอะไรนะใจร้อนในกัฟฟี่คุณอ่นานอธิบายไว้พี่น้องครับคารักนัลอินซานามินอาจลัลเราได้สร้างมนุษย์มาพี่น้องใจร้อนทั้งหมดยกเว้นคนมีคุณธรรมคนมีศัสนาคนมีศาสนาเราบอกใจเย็น ใจเย็นเยนใจเย็นเย็ น, ย น, ยนพี่น้องถ้าไม่เรียนศาสนานะใจร้อนหมดเลยใช่หรือไม่ใช่เอาล่ะผมนี่เป็นคนใจร้อนนะพี่น้องนะแต่เพราะาอ่าน Quran อ่านนู่นอ่านนี่เจ้านี้มันเบาลงเวลาใครด่าเนี่ยโอ้โูหหูแดงพี่น้องใจเต้นอยากจะด่ากลับใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นพี่น้อ ง, น, อ น, น, น, น, องนั่นคนที่ใจเย็นได้ต้องคนมี นี่ไงเอากุรานไปเรียนเอาสุนทรนาบีไปเรียนพี่น้องฉะนั้นที่บ้านพี่น้องมุสลิมต้องอ่านคุรานทุกวันพี่นอ้องอ่านกุรอานที่รู้ความหมายพี่น้องหันมาเรียนคุรานกันเถอะวันนี้นะอ่านกุรอานที่รู้ความหมายแล้วก็อ่านขดิสพี่น้องอย่ายอยู่แบบไม่อ่านขดิสไอดูละครนะผมไม่ตำหนิแล้วครับพี่น้องแต่อย่าดูเยอะ พอละครมาสอนให้เราแก่แค้นสอนให้เราต้องแหมอะไรกันกนะฮะเจ้เจ้พี่น้องตัวละครเนี่ยอร่อยทั้งหมดเป็นน้องคนเลือกมาอย่างดีเลยฮะพี่น้องไอเ้ตัวกงตัวโกงนี่เป็น้องดาก็เก่งชั้นหนึ่งภาษาเนีดด่ยโอโรอามาชาในอิสลามไม่ได้เลยตะค้หนึ่งพี่น้องฉะนั้นต้องใจยเย็นๆเล่เาเรียนสุนานทรนะบีฉะนั้นอ่านก็อ่านที่บ้านพี่น้องพ่ออ่านแม่อ่านให้ลูกอ่านด้วย อัลลอ์พีน้ออ่านคุรานให้จบก่อนตายนะหนึ่งครั้งได้ไหมคุณว่าน้อยไปนะหนึ่งครั้งอะสักสิครั้งออ่านากุรานตั้งแต่อลิฟลามีพี่น้องมาถึงอะไรเถอะคุณหวละว่าใหา้พี่น้องอ่านให้จบพี่น้องสักหาครั้งสิครั้งแล้วก็รู้ว่าอัลลอ์เนี่ยสอนอะไรเราอัลลอ์ Allah ให้ความรู้ว่ามีอะไรบ้างใะการีกุรานพี่น้องแล้วก็เรียนคัดิสของอิหมาบุครี ที่ศูนย์กลางอิสลามผมมักจะโฆษณาขายหนังสือในเะป็น้องไปเลยก็เป็นปน้องไปซื้อมาอิมามบุคอรีฮัดิสมีทั้งหมดที่แปลเป็นภาษาไทายแล้วนี่เนะ่ะเก้าเล่มนี่ผมเล่าเรื่องความลับของผมนะผมไปคุยกันกับคนที่แปลฮัดดิสบุคอรีเก้าเล่มเนี่ยว่าผมขออธิบายฮัดีิสของท่านได้ไหมอเอาไปเลยจำเชิญเลย บางที่เราอ่านคัมภีร์ไม่เข้าใจก็มีใช่ไหมอ่านเขาที่คำแปลเขาแปลว่าเรื่องอะไรกันแน่ผมขอคําอธิบายอ่ะคัมภีร์นี้มีอยู่กี่ประเด็นหนึ่งสองสามสี่อธิบายให้พวกเร า, า, บบ อ, า อ, อ่านแบบเข้าใจพี่นอ้องอ่านะด้ก็พี่น้องเราอ่านหนังสือพิมพ์อ่านรอดพี่น้องไม่ขาดสวรรค์มิจฉาวันหนังสือพิมพ์เนี่ยใช่ไหมพอเราไม่อ่านก็เรียกว่าคนทันไม่ทันโลกใช่หรือไม่ใช่ ไม่ทันโลกโอ้ที่ไม่ทันอัลลอฮ์งับนั่งกันเงียบหมดเลยนะที่อัลลอฮ์สอนอะไรบ้างไม่ยอ ม, ม, ท, ม, มทําตามอัลลอฮ์สั่งเลยน้องไม่กลัวพอพราอไม่รู้ขา่าวอเมริกาคิดอะไรสาวว่าไมจ่จะไม่ทันโลกที่อัลลอฮ์คิดอะไระไม่เดินตามอัลลอฮ์บ้าเลยเป็นเพราะว่าเป็นเจ้าของโลกอเมริกาจะเป็นตํารวจโลกไม่ใช่เจ้าของตํารวจพี่น้องพอจัดการบันนั่นแล้วก็เข็นข้าบานันี้ยกบันนั่นข้าบันนี้ า็น่าเองเลยน้องแต่ของอัลลอฮ์นี่ยชั้นหนึ่งอยู่แล้วไอ้น้องมาหันว่าเรียนคุรอานมาเรียนซูนหน้าท่านนะบีจะได้รู้ว่าเวลานาบีหาวเอามือปิดปากเปล่าอือน้นังนี่น้องครับเวลาเห็นหน้าคนเนี่ยทำงานครับนบีสั่งให้ยิ้มอัลลอฮ์นี่น้องเซสลามบีฟอฟบีฟอฟเซอให้ยิ้มก่อนสไมล์แอนสลาม นบีสอนพี่น้องเห็นหน้าคนได้ทำไงนะสมาแล้วก็อัศรา่หาหัวเลยกลุ่มเอาไปช่กันเอาไปช า, า, ปชากับสามีเอาไปแช่กับภรรยาเอาไปแช่กับลูกเอาไปแช่กับหลานพี่น้องบางคนที่บ้านไม่ได้แช่เลยหน้าบึ้งพี่น้องไปหัวเราะที่ร้านกาแฟหน้าตกฮโลัลโหลทำทำไมอย่างนั้นนะพี่น้องที่นบีสั่งมาทำในบ้านก่อน ให้ยิ้มก่อนแล้วก็อัสลามอัลลอฮ์พี่น้องครับมีคําสอนของใครบ้างที่บอกว่าพระยาให้แต่งตัวสวยๆมีไหมเมื่ทัดิสดูอัลลอฮ์ครับผมเรียกลูกหลานมาอั น, นี่มาดูมาดูา ด, าดูนบีสอนอย่างนี้ให้แต่งอย่างนี้นะ beautiful d r e s ให้แต่งตัวสวยๆพี่น้องให้แปรงฟันก่อนนอนให้อาบน้ําน้ำอาบก่อนนอนให้ยกมือขึ้นเป่าพี่น้อง ตะปัดที่นอนดึงที่นอนให้ตึงนบีสอนแล้วก็ให้ภรรยาจะใส่น้ำหอมก่อนนอนสอนทําไมพี่น้องผมถามผู้ชายหลายคนว่าถ้าภรรยาเนี่ยนะไม่ใส่ ย, ยามองนะใส่น้ําหอมอับบอพี่น้องมันชื่นใจแล้วก็ยินสมัยเข้ามาเข้าห้องพี่น้องแล้วให้ห้องสะอาดๆพี่ น, น้องดึงที่นอนให้ตึงเ๊ะพี่น้อง อารมณ์มาเต็มเลยจะทำอยู่ดีเลยถ้าอ่านกุรานซิกุุลลอฮ์ก่อ น, นอนใครสอนครับนบีมุฮัมมัดสอนพวกเราไม่ได้นํ า, นาเอามาใชาย้ยาฮูดีนนำมันมาใช้หมดแล้วกินอกนอนทังหลายครับนี่อิสลามไม่นอนทั้งหลายเพราะฉะนั้นวิธีไล่ชัยตอนอัลลอฮ์มีทั้งหมดยี่สิบวิธีแต่พูดมันหมดเวลาไม่มีแล้วดีก็ให้ผมสเสด็จมุเมเสด็มุึ้นอ้ะยังมีเวลาอีกยี่สิบห้านาที ไล่เชยตอนมีทั้งหมดยี่สิบวิธีพี่นอ้องออากรที่จะนี่ยเอแปลนี้ก่อนอุวั ล, ล า, าลิยาลาลาคุมุลอัลอ์อัลลอ์ได้ทำสำหรับสู่เจ้าแผ่นดินนี้พี่น้องแผ่นดินนี้เราไม่ได้อยู่คนเดียวนะยังน้อยมีกี่ศาสนาพี่น้องบอกเยอะมากเลยแต่ศาสนาที่อัลลอ์พอใจคืออิสลาม อัลลอฮ์ให้เขาเรียว่าฟรีทิ้งกิ้งคิดกับเซระเชิญตามสบาแต่อัลลอฮ์จะให้คะแนนให้ลมโทษด้วยให้คะแนนด้วยลงโทษด้วยให้คะแนนด้วยพี่น้องแคนั้นอัลลอฮ์เล่านะาศาสนาที่อัลลอฮ์พอใจคืออิสลามสุนนะนบีมุ hammad สัลลอฮฺมุสลัมพี่น้องยินอยู่กระไราไหมบนโลกใบนี้อยู่ครับชายตอนอยู่ไหมอยู่ครับมาดายกาอยู่ไหมอยู่ครับอัลลอฮ์เล่ายังมีสาม สิ่งถูกสรางอีกสามรายการที่เรามองไม่เห็นตัวยูเบิลแฮนดินนี้ได้ความรู้เต็มแล้วกันพี่น้องแล้วก็สามรายการนี้เรามองไม่เห็นตัวพี่น้องเคยเห็นมารายการไหมไม่เคยเคยเห็นชัตอนไหมไม่เคยเคยเห็นยินไหมไม่เคยแต่สามรายการนี้เห็นเราเอา้าวทำไมใกล้พี่น้อง ถ้าเห็นเนี่ยรับว่ารว่าผีเลยแหละใช่หรือไม่ใช่มีที่บ้านผม <c oughs> ลูกสาวบอกว่าอะบ้าเช้ า, ชาเนี่ยดูเข้าไปเข้าไปในห้องเจอผู้หญิงใส่ตะละกลงนั่งอยู่บนเตียงเขาวอกถามว่าหนูว่าอะไรอะมาได้กะบอกไม่ใช่ยีนไม่ใช่ใชยตอนไม่ใช่ทํามว่าไม่ใช่ละก็เอารอพูด นบีสั่งนะสามรายการนี้มองไม่เห็นตัวไอ้สิ่งที่เธอเห็นนั่นไม่ใช่ตาฝาดพี่น้องก็นในเมื่ออัลลอฮ์บอกว่ามองไม่เห็นตัวจะ ว, ว่ายินได้ยังไงจะว่ามาัยกาได้ไั้ยก็ไม่ได้พี่น้องยกเว้นนบีมุฮัมมัดท่านเดียวที่มาัยกาเดินมานาบีรูจักคนอื่นเห็นแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครนะพี่น้องเอาผมขอเล่าว่าจิบรีนี่มาหาท่านนาดีพี่น้อง แปลงตัวมหาท่านนบีแต่ยิบรีนจะไม่แปลงตัวมหาพวกเราเพราะเราไม่ได้เป็นนบีอัลลอฮ์ส่งให้มาเฉพาะมหานบีอย่างเดียวพี่น้องยิบรีนมาพี่น้องครับผมนั่งอ่านตัวฮาดีสอัลลอฮ์พี่น้องแต่งชุดขาวผมดําหน้าตาสะอาดไม่มีร่องรอยของการเดินทาง มวกไม่ได้ใสซาลาบันก็ไม่ได้ใสพี่น้องเห็นไหมท่านจิบรีลงมาหาท่านนาบีพี่น้องลงมาหาท่านนาบีมานั่งริมนบีอัลลอฮ์พี่น้องแล้วก็ถามว่าอิสลามคืออะไรนบีก็ตอบตอบตอบตอบถามว่าอีมานคืออะไรนบีตอบตอบตอบแล้วถามว่าเมื่อไหร่จะเกิดวันสิ้นโลก นบีรู้ว่าคนที่ถามนะรู้ดีกว่าคนที่ถูกถามอ้าวนบีรู้สิว่าคนที่มาน่ะคือใครคนที่ถามนั้นรู้ดีกว่าคนที่ถูกถา ม, <น>มแล้วก็อ้าวบอกเครื่องหมายของวันเตียมากวันวันสิ้นโลกนบีก็บอกกับเป็นยังางนั้นอีกข้อหน Lang ึ่งท่าน น, านบีสอนมาคือว่าลูกจะทรยศต่อพ่อแม่เป็นเครื่องหมายของวันสิ้นโลกครับลูกจะดื้อ ก, กับพ่อแม่ลูกจะไม่เชื่อฟังพ่อแม่ อ้ายกตัวอย่างอธิบายอย่างนี้พี่น้องครับแม่กับภรรยานะแม่กับภรรยาลูกเราทํามีมีมีลูกมีลูกชายมาก็แต่งงานกับภรรยาแล้วก็มีแม่อยู่ด้วยลูกจะเชื่อฟังภรรยามากกว่าแม่นี่นบีพูดอย่างนี้เลยครับพี่น้องลูกชายเราเนี่ยนะจะฟังภรรยามากกว่าฟังแม่ อธิบายยังไงพี่น้องอธิบายอย่างไไ ง, ายยางี้พระยาสั่งสิบข้อลูกทำปัปับปบ ป, บ ป, บปบจบเลยไม่กล้าฝืนไม่กล้าคา้านมะสั่งสี่ข้อทําทำข้อเดียวอีสามข้อไม่ทำนี่นบีพูดว่า น, นี่ เ, เครื่องหมายวันวันอะไรนะวันสิ้นโลกมาแล้วแล้วจริงไหมพี่น้องลูกเราที่แหละ ทเราอบรมศาสนาทุกวันอบรมผูดจากรบเพราะ อ, อะไรก็เพราะเพราะมันแต่งงานมากพญยาสั่งอะไรมันทําทุกข้อเลยร้อยข้อมันก็ทำร้อยอย่างอะไเลยน้องเหนื่อยมันก็ยอมอะ่ะพมันเอาใจกันไปน้องมะสั่งสิบข้อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋วก่อนยังไม่ทําเลยไปน้องมีไหมเกิดขึ้นแล้วตอบใครขอบครัวเราที่เป็นสนนัญญาในรู้ว่าโอ้ สัญญาณวันสิ้นโลกมาแล้วนี่ท่านบีสอนจริงไหมจริงครับจะนั่นใครที่มีลูกโกนลูกได้ไหมไม่ได้เราสอนไม่เป็นเพราะฉะนั้นแม่เนี่ยสอนไม่เป็นจะนั่นแม่ก็ต้องเราต้องนึกเยอะนะให้อภัยนเอาทาลูกยังไม่ทํานตาจะว่าแม่เนี่ยความสามารถน้อยแม่อาจจะด่าเก่งได้ใช่ไหม พอไม่พอใจกับเปรียงเปลียงเปรียงเปรียงลูกนี้ไปน้องฉะนั้นก็ต้องเรียกลูกมาลูกจะสัญญาณวันกิจมรรก็คือลูกเนี่ยฟังแต่ฟังแต่เมียแต่ไม่ฟังแม่เลยลูกคิดให้ดีนะเดี๋ยวอรรรทจะมารไส้นะอรลรทจะลงโทษนะตอนน้องมีวิธีเตือนใครพี่น้องท่าไหร่นี่ไงพี่น้องครับเราที่เตือนลูกของเราอยาให้อลรรรทลงโทษฉะนั้นรักใครยานรักได้มีมาแต่ว่าเวลาแม่สอนให้เชื่อแม่ด้วย เดี๋ยวเราจะเอาโทษแต่นี่ถ้าเมื่อลูกไม่ทําตามแม่เอลลอก็เอาโทษลูกไปน้องครับแต่ถ้าแม่ยกโทษได้ไหมได้แล้วก็ตรงเรียนไปน้องครับโอ้ลูกทํากับแม่เจ็บไหมเจ็บแต่ให้อภัยไหมให้อภัยครับไม่ให้ลูกตกทุกเพราะเรื่องนี้เกิดขึ้นในสมัยนบีแล้วไปน้องต้องเล่าไหมไม่ต้องเล่าใช่ไหมชื่ออุคนสันสะสะสะลาบะไปน้อง ป่วยนักมาส่งคนมาตามนบีนบีส่งซอบ้าไปแทนไปสอนกะริมาเตาเฮน่าว่าไม่ได้อ่ะเพราะคนที่ตายถ้าเขากลายเขากล่าวว่าละอิละอีละรอละละละได้น่ะเขาจะไปสวรรค์นะพี่น้องเราไปสอนคนนี้สอนเท่าไหร่มันว่าไม่ได้อะพี่น้องลิ้นมันแข็งน่ะก็ไปแจ้งท่านนบีนบีรู้เลยอเอาลอกไวลงมาว่า ลูกคนเนี้ทําอะไรไม่ดีกับแม่วัานาบีให้ไปตามคุณแม่มาครับพอคุณแม่มาในวิธถามว่ายกโทษให้ลูกได้ไหมแม่มาฟ้องอ ว, ว่าลูกสะพ้เนี่ยลูกสะพ้ยกับลูกชายชั้นลูกชายฉันมันรักลูกสะภ้ามันอ่ะมันรักภรรยาของมันเกินหน้าแม่ไปน้องแล้วรอดลงโทษ่ะเห็นยังครับ อ่านกรลิมาเ ต, ตาเฮตก่อนตายไม่ได้ลิ่งแข็งอะ่ะมีว่าอภัยโทษใน้ลกได้มากบอกไม่ได้จเจาสนะมีว่าขั้นฉันขอบเผ า, เาลูกคุณก่อนก่อนตายได้มากโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ ด, ไได้ก็ให้อภัยดิพอแม่ให้อภัยอีกสามสี่ชั่วโมงกาวกรลิมาเลยพี่น้องที่บ้านนะกาวดังเลยนะเลอีเลฮาอิลลอว เสียชีวิตใกล้ๆสวรรค์ทีนั้นเวลาลูกทําอะไรไม่ดีกับกับแม่หรือกับพ่อหรืออย่นงนี้เราเราต้องเรียกมาเตือนถ้าเตือนแล้วไปไปไม่ไหวก็อย่ารอชานาภัยจะโทษให้ยู่เพื่อนลูกจะได้กล่าวปริมาตาฮีได้ก่อนตายไปน้ อ, อ, นองให้ไหมไปน้องอย่าลืมว่าน่ะใครเป็นผู้กําหนดเนี่ยไปนอ้องอาภัยไม่ให้อภัยลงโทษไม่ลงโทษอัลลอฮ์ไปน้ อ, นอง อยู่ที่เร า, าเราพี่น้องเพราะฉะนั้นก็ต้องขอบคุณอัลลอฮ์พี่น้องที่เรามีหลักการอิสลามนี่ยนะครับคู่กับชีวิตของเราพี่น้องครับยินเรามองไม่เห็นไซต์ตอนเรามองไม่เห็นมลาอิกาเรามองไม่เห็นแต่เวลาไซต์ตอนอยู่ใกล้ตัวเราพี่น้องเราต้องขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์พี่น้องขอจากคนอื่นไม่ได้เลยพี่น้องให้เราให้อัลลอฮ์ได้คุ้มครองตัวเราเนี่ยห่างไกลจากไซต์ตอน พี่น้องคับใหอ่านบทนี้เยอะๆอ้าวุบิลลาฮิมินัสไซลคอนิโรจีนี่วิธีไล่ไล่ใช่ตอนให้อ่านสามกุลกุลฮุบละฮุอะฮัดให้อ่านให้จบนะกุลอ้าวุบิลอรบิลฟาลกอ่านให้จบกุลอ้าวุบิลอรบินัดอ่านให้จบพี่น้องเช้าอ่านตอนเย็นอ่านก่อนนอนอ่านพี่น้อง อันโซร์บกอร์อีกคือน้องไลช่ชายตอนไล่ยินไล่ของไม่ดีทั้งหมดพี่น้องเอาล้อเล่าให้เราฟังว่าฉันเป็นคนเอาออกเองน <Okay. S 1> ะไม่ใจพูดคุณเอาออกนะจัดคุณทําหน้าที่คุณก็และอ่านคุณก็อ่านสม่าเสมอแล้วก็มีน้ํานำมัสารพี่น้องรักษาน้ํามณ์นำมารเอาไว้นะครับแม้จะมาฟังาศาสนาก็มีน้ำนำมัสการพี่น้องแล้วก็ให้วิกรุณลอยเยอะๆพี่น้อง วิครุลล na, ้อเยอะๆไปน้องอัลลอฮ์ว่ากันวิครุลลอมีอยู่สองคำที่มีน้ำหนักที่ตาช่างไปน้องคือสุบฮานอัลลอฮิลอาซีสุบฮานอัลลอฮวาบีฮัมดีสองข้อไปน้องซึ่งเราว่าอยู่แล้วใช่ไหมสุบฮานัลลอฮวาบีฮัมดีสุบฮานอัลลอฮิลอาซีนบีทาเป็นประจำไปน้องนบีทาเป็นประจำไปน้อง แล้วก็อีกข้อหนึ่งอัสตักฟิรุลลอฉันขออภัยโทษต่ตออัลลอฮ์พี่น้องพี่น้องครับขอให้พี่น้องให้ให้ให้ให้สลามอัสสลามอัลัยกุมมะราะมะตุลลอไปทางขวาและมาทางซ้ายเลยพี่น้องสิ่งแรกที่เรากล่าวก็คืออัสตักฟิรุลลอแปลว่าฉันขออภัยโทษต่ออัลลอ์คมตั้งคำถามของตัวเอง เออเราผิดอะไรอ่ะเราทำอะไรผิดแต่เรานนามาตามที่อัลลอ์สั่งจะพูดว่าฉันขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์สามครั้งถ้านมาห้าเวลาก็สิบห้าครั้งกล่าวทำไมมีคำตอบอยู่ในฮะดีษอธิบายหนามา้ะใจลอยใจลอยบารลอยทุกคน่น้อง ลอยทุกคนไม่มีใครไม่ลอยไปน้องแต่เลื่องลอยแล้วอย่าปล่อยไปอ่ะเอาไปกับไปด้วยเอากูาไปด้วยเอาดึงมันกลับมาไปน้องดึงมันกลับมาซะบางทีลอยไม่รู้ว่ากี่ราาะกระดับเฮ้ยสามหรือสี่วะเนี่ยต้องนมาสู่สาวีเลยไปน้องเอางี้ถ้าหากว่าสี่หรือสามยรีนีมันสี่ที่สี่หรือที่สามวเนี่ยต้องนึกเลย เอาสามไปก่อนอย่าเอามากเอาน้อยเอาสามไปก่อนแล้วทำไม่ครบเพื่อไปอีซีก่อนให้สาราไม่ทางานนะให้สูดดูแซววีสองครั้งไปน้องครับนี่ไงพอเราให้สาราปั๊บอัอลตราโกลโลยอัลโลที่ฉันสับสนในน้มานมเอพราะอิทธิพลไชตอนทั้งหมดไปน้องบางทีกระจมันเลยไปน้องคิดหนุนคิดนิดตามใน น, าาน้ำมันคิดเต็มเป็นหมดไปน้องยิ่งเสื้อนามานมีใบตุลอรอด้วยพอสุดอยู่ไปรุกข์ไป ตรงนี้ที่ท่านต่อยอาลับตรงนี้ท่านดันอาลับลมตรงนี้เป็นเรองที่เขาดัานเอาวลมไอภาพกาบาเนี่ยมันเห็นอยู่ข้างหน้าเป็นเรองใจร้อยแค่นั้นนึกถึงครูอิสมาอินอาห์มัดพี่น้องบอกลูกหลานว่าเอาผ้าผ้าปูนามาเนะ่ยคนเป็นสีขาวพี่นะ้องอย่าไปเอาสีสีแลยเอาสีขาวดีที่สุด พลัปูแล้วมันใจแล้วนะมันสะอาดไม่ต้องไปเห็นนูน่นเห็นนี่เห็นนี่เห็นนั่นพี่น้องผมไปน้ำมาที่บ้านหลังหนึ่งพี่น้นองใครเป็นฮิมามผมก็ไม่อยากเป็นฮิมามอนละ้ข้างหน้ามีตู้กระจกแล้วเขียนเบียร์ขวดเหล้าแฮนนสซี่อา้อาวไอ้บ้านมุสลิมแล้มีขวดเหล้าได้ไงอะ่ะผมมาถามต้อยนขวดเหล้าเฮ้ยสมัยก่อนี่กินตอนนี้เลิกแล้ว เราเก็บว่าทำอะไรละควรน่ะเป็นอนุสร์ยนทินเมื่อผมยังสับสนเลยในกําลังนํามาโยนขวดเหล้าอยู่เนี่โยนทิ้งเหรอโยนมาก็เอาประโยน์ทินเป็นน้องเก่งว้ทําไมละของอารามขวดเบียร์ขวดเหล้าเป็น้องอยู่ในตู้อ่ะเป็น้องอัสตัลฟิลโลนะครับผมไม่ด้เอ่ยชื่อใครนะเป็น้องประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับเป็นน้องเอาตัวลงว่าไล่ไชตอนมีทั้งหมดยี่สิบวิธี วิธีสุดท้ายก็คือเรียนสุนนะนบีใช้ตอนไม่กล้าเข้าวหาคนนี้เรียนสุนนะนบีของที่นบีสอนไปน้องไปน้องไปเรียนเถิดไปน้องอัลลอฮฺอักบับเอาต่อมาครับไปน้องอัลา ล, าลมูลอลล า, าอลาฮฺสร้างแผ่นดินนี่มาไปน้องให้มนุษย์อยู่นะครับ และอยู่ที่อื่นมันก็ไปไม่รอดมาต้องพาออกซิเจนใช่หรือไม่ใช่แค่ขึ้นดวงจันทร์ไปน้องเขากำลังวางแผนจะไปอยู่บนดวงจันทร์กันเลยไปน้องเริ่ ม, เ ร, มเริ่มขายที่กันแล้วนะ่ะเราขออยู่บนโลกใบนี้และขอตายตรงนั้นก็ต้องมาฝังตรงนี้ฟังบนดวงจันทร์ไม่ได้เลยเนอะงไม่มีที่ที่อัลลอฮฺสั่งว่าอยู่บนนี้ละตายตรงนี้ละฝังตรงนี้ไปน้องทั้งหลายครับดังนั้นอัลลอฮฺสั่งว่าไงนะฟังสูจงอะไรนะ จงเดินทางจงสัญจรบนหน้าแผ่นดินอันนี้ให้เดินทางมนุษย์อยู่คนเดียวได้ไหมพี่น้องไม่พบใครเลยได้ไหมไม่ได้พิทรักศาสน า, ษาพี่น้องเป็นศาสน า, าเดียวนะคืออิสลามเนี่นะให้มุสลิมทุกคนนั่งเครื่องบินไปมักกะต้องไปถ้ามีความสามารถไม่เจ็บไข้ใดป่วยพี่น้องมีเงิน ต้องเดินทางข้างหนึ่งในชีวิตไปประกอบพิธีฮัตไปพบปะ ก, กับพี่น้องมุสลิมพี่น้องครับฟัมชูฟีมานาจีปิหาจงเดินทางบนหน้าแผ่นดินใบนี้ไปทําอิบาตด้าก็ได้แล้วก็สแสวงหาที่สกีของอับลองก็ได้พี่น้องค้าขายอิสลามส่งเสริมในยพี่น้องนะค้าขายไปเลยพี่น้องไม่พิษและสอด้วยนะระหว่างเดินทางเนี่ยนะมาศีเหลือเท่าไหร่ สองย่อดได้ไหมย่อดได้แล้วรวมได้อีกคือน้องเอารอไปน้องผมได้รับโทรศัพท์เยอะไปน้ อ, อ, นองบางคนอยู่ปัตตานีมาที่สงขลาจ้านชันมาที่สงขลาเนี่ยจะนมาดยอด่นอนมาดยังไงเอารอก็ต้องบอกไปไปนออ้องอ้าวนมาดย่อทํางี้ขังสี่เหลือสองไปน้องรวมได้ไหมได้ ส่วนหลวอมาเดินทางดีไม้มดีครับเพาน้คนที่เดินทางออิหม่ามชายพี่พ่าไงดูไหมการเดินทางเนี่ยทำให้เราฉลาดท่านพูดบอกว่าอิราซาเราปอบาน้ำถ้าไม่ไหลเน่าถ้าหากว่าน้ำเนี่ยมันไหลตลอดเนี่ยน้าไม่เน่าคนก็เหมือนกันถ้าอยู่เฉพาะที่บัารับไม่ไปไหนเลยสติปัญญาของพีเดินทาง จึงก่อนเดินทางออกจากบ้านอาน่านถัวนี่ ไ, ไม่อ่านอ่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานุลลอฮิวะลาฮิวะลาอัลลอฮวะเตอิลาฮิาลลาบิมีผลบุญด้วยพี่น้องจะขึ้นรถอา่านดุอาัวมีผลบุญไปเยี่ยมญาติไปเยี่ยมใครตะใครพี่น้องมีผลบุญหมดเลยพี่น้องถ้าอ่านฮะดีษนะเรื่องการเยี่ยมญาติเดินทางออกจากบ้านอบรมพี่น้องอ่านแล้วอยากจะไปเยี่ยมในพี่น้องหลายนะครับแต่ทุกครั้งเวลาเห็นหน้าคนต้องอะไรนะยิ้มก่อนแล้วก็ซาลามทีหละ เรียนซูน่าน บ, บีครับพี่น้องการเดินทางเอาล่ะน้า บ, บีชอบเดินทางพี่น้องพี่น้องสังเกตนะน บ, บีจะเดินทางเยี่ยมคนในหมู่บ้านน บ, บีจะขี่ขีลาจะขี่ลาเห็นยังครับเป็นสัตว์ที่ที่ที่ที่ ท, ท, ที่ที่ต่ำที่สุด น, นะขีลาเดินทางไกลน บ, บีจะขี่อูดเห็นไหม จะเดินทางไปทําสงครามขี่มา้าเราจะขึ้นมีอัลอฮไปพบอัลลอฮ์ขี่อะไรบุรอกเห็นไหมซีแองพี่น้องนี่อัลลอฮ์จัดให้หมดเลพี่น้องตอนนี้พวกเราเนี่ยกลุ่มซุนนาเนี่ยถูกตําหนิจากพี่น้องว่ามันอาจจะชอบเอาซุนนามาสอนทําไมไปมักกะทำไมไม่ขี่อูฐและขี่เครื่องบินทำไมพี่น้องตอบยังไง ผมผมมุดตอบเขว่าเอ็งเ อ, เ, อเอาเอาทะเลทรายมายจะีอูทให้ดูให้ okay. เอาทะเลทรายมาจะขี่อูดให้ดูมันกระตอบไม่ได้อัลลอ์นบีเปิดกว้างๆใช่ไหมเยี่ยมประชาชนนบีจะขีลาเดินทางไกลนบีจะขี่อูดทำสงครามนาบีขี่มาใช่ไม ข, ขึ้นขึ้นมีอัอไปหาไปข้าฟ้าอัลล์ไปรับนามานมาขี่อูรอขึ้นบินขึ้นมาทีหลังพี่น้อง เราก็ขี่เครื่องบินไปที่เป็นอ้องสมัยก่อนกคร่องบินยังีขี่เรือแต่ให้ขีรูดขอทะเลทรายนํำมาล้วก็จะไปหาอูดขึ้นมาไปมาการ์ขี่อูดนะครับพี่น้องพี่น้องครับฟัมซูฟีมานาะเอาเราได้เจอที่จะอธิบายคําว่าเดินทางอย่างเดียวเป็น้องสองสามชั่วโมองก็ไม่จบอาต่อมากือวากูลูมิริสตีแล้วก็จงบริโภคจงกิน จากแผ่นดินนี้พี่น้องเป็นริสุขีของอัลลอฮ์สุบฮานาฮูวาตาลาพี่น้องอยู่บนหน้าแผ่นดินนี้พี่น้องครับนบีพูดไว้นะอัลลอฮ์จะไม่ให้ฝนตกอัลลอฮ์จะไม่ให้ฝนตกพี่น้องเพราะว่าคนนี่มันทําบาปเยอะทําดีนานินทาใส่ร้า ย, ายด่ากันเองตัดพี่ตัดน้องตัดญาติพี่น้องใกล้ชิด ญาติพี่น้องใกล้ชิดมีอยู่สิบพี่น้องสิบนะหนึ่งพ่อหนึ่งคุณพ่อสองคุณแม่พี่ชายน้องสาวหรือพี่สาวเห็นน้องศีแล้วนะพี่ของฝ่ายแม่หรือน้องของฝ่ายแม่พี่น้องของฝ่ายพ่อต้องติดต่อกันพี่น้องเขาด่าเร า, าเขาก็ด่าดปเถอะเราเรียนศาสนามาต้องให้อภัยหมดพี่น้อง แล้วก็ลูกเขยลูกสะพ้ยพ่อตาแม่ยายต้องไปมาหาสู่กันแล้วผมวันนี้นะ่ะพ่อก็ตายแล้วแม่ยายก็ตายแล้วตากับเวือไม่ไมีไม่เท่าไรพี่น้องญาตกล้ชิดฝ่ายพ่อกับฝ่ายแม่นินกะ็นเยอะพี่น้องโอ้โหตจงเยี่ยมกันบางทีเขาด่าเราใจเนะี่ยไม่อยากไปหรอกแต่อัลลอฮฺสั่งไปเธอผมได้จากนาบีมุฮัมมัดเยอะพี่น้องถามว่านาบีมุฮัมมัดถูกดา่าไหม ถูกดา่าที่ฝรั่งเศสยังด่าอยู่นะวันนี้ใช่หรือไม่ใช่ใชหนังสือพิมพ์อะไรน่ะชื่ออะไรนั่นก็ผ ม, มอยากเอ่ยชื่อพี <c oughs> ่น้อง <c oughs> เขียนการ์ตูนด่านาบีนบีเสียชีวิตไปแล้วพันสี่ร้อยห้าร้ยปียังด่าเลยพี่น้องแล้วพวกเราก็อยางดา่าซูน่านาบีวันนี้ถ้าก็ด่าก็ด่านาบีพี่น้องคนที่ตําหนิซู น, น่านาบีนะเขาด่านาบีเลยพี่น้องนะเชิญครับ เลาจะมีอีกวัดหนึ่งบกูลูมิริสุตีให้สแสวงหาทิสกีของอัก๊อฟริสกีอยู่บนโลกดุนยาเบนี้่เบน้องฉะนั้นจะให้ทิสกีเพิ่มให้ทำสองข้อตักวัวกับอีมานเยอะๆให้มีอะไรนะมีตักวัวตักวัวมาถึงประคองตัวเองไม่ทําบาปแล้วก็อีมานนี่นะเรียนเรื่องอัลลอฮ์เรื่องศาสนาของอัลลอฮ์เรียนเรื่องสิทัตอัลลอฮ์เบนองอีมานมันตามมาเต็มเลยไงเบนองนะ ฉะนั้นใครที่มีอ ي มานบ้านไหนมีอ ي มานมีตักกวบรักัดจากฟ้าๆเนี่ยลงมาและแผ่นดินกันพี่น้องให้กับหมู่บ้านนี้ถ้าคนทั้งหมู่บ้านพี่น้องมีอ ي มานมีตักวัวอัลลอฮฺจะเพิ่มบรักัดให้กับครอบครัวนี้หมู่บ้านนี้ต่อมากว่าอีไลหินนูชูดายังพระองค์คือการฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังตาย ตัวล้ว่าตายแล้วไม่ตายเลยนะตายแล้วต้องปืนฟื้นยังไงไปน้องให้ดูสิเอาล้อให้ต้นไม้ที่มันตายไปแล้วไปน้องเอาล้าอก็ฝนตกลงมาเอาล้อเขี้ยวเฉอุมเต้นไปหมดเลยไปน้องนี่ไงเพื่อสอนให้ตัวเราว่าตายแล้วต้องฟืนไปน้องชีวิตบนกุญยาเนี่ยผ่านสามขั้นตอนไม่เยอะตอนเล็กๆ <c oughs> พอคลอดออกมาถึงอายุเท่าไรอ่ะ สิบกว่าครัวนี่นะพ่อแม่รับผิดชอบแทนเรานะพอเราเริ่มเรียนหนังสือมี ม, ม, ม, ม, ม, ม, ม, มีพมีมีมีมีมีภาร ะ, ราะพอแต่งงานแล้วต้องรับผิดชอบตัวเองมันก็หนักตอนหลังจะแต่งงานแล้วเี่น้องแต่เหนื่อยแค่นะสามช่วงตอนเล็กตอนกลางกับตอนตอนใกล้จะตายแต่ชีวิตหลังตายต้องผ่านอีกเจ็ดขั้นตอนหลังตายยาวในเี่น้องนะเจ็ดขั้นตอนก็คือ ที่ขุ่นเหล่าเมื่อกี้น่ะถูกเล่นงานยังไม่ถูกฝังอยู่ในกูโบจะถูกเล่นแล้วไปพี่น้องพี่น้องครับท่านพี่น้องถูกจับใส่โลเมื่อไใดนะอีตอนแบกน่ะครับจะมีเสียงอยู่สองสองเสียงเสียงหนึ่งก็คือก็อดดีโมนีรีพาฉันไปเอาไปฝังไวๆอีกเสียงหนึ่งลาตูก็อดดีโมนีอย่าพาฉันไปฝังนะฉันถูกลงโทษแน่ๆกลัวครับ เห็นนอนอยู่ในกูโบนอนอยู่ในโรงไป่ต้องเห็นเลยเนี่ยถ้าพาจะไปฟังนะถูกลงโทษที่กูโบแน่ๆมีสองสองเสียงอยากจะเป็นเสียงเหมือนกันนะถูกกอดดีมูนีรีบพาจะไปฟังไวไวพี่น้องครับชั้นชีวิตหลังตายอันตรายครับพี่น้องนอนจะสูสารอันตรายครับพี่น้องวันฟื้นขึ้นนิสสาวลนนันพี่น้องนะอันที่สี่ไปรวมตัวที่ทุ่งมาชัดหนักมากครับพี่น้อง แล้วก็แจกเอกสารแล้วก็ตาช่างออกล้อพี่น้องคําว่ามีสานตัดช่างหนักมากครับพี่น้องท่านนาบีบอกว่ า, วาพระยาถามท่านนาบีว่านาบีท่านเนี่ยจะคิดถึงครอบครัวไหมหลังจากฟื้นคืนชีพมานาบีตอบ ว, ว่ามีอยู่สามที่ฉันไม่คิดถึงใครหนึ่งตอนที่แจกเอกสารสมุดบันทึกอนะ่ะถ้าแจกโดยมือซ้ายจบ มารบแน่ๆไปน้องกระแจกด้วยมือขวาผ่านแต่ตอนช่างตาช่างไปน้องฉันไม่คิดขึ้น้ายกลัวมันจะไม่ผ่านไปน้องข้อสุดท้ายตอนข้ามสะพานข้ามสะพานจะไปนรกกับไปสวรรค์ไปน้องครับถ้าสามที่ดีผ่านไปน้องอัลฮัมดุลิลลาห์ชีวิตหลังตายไปน้องครับยาวกว่าชีวิตบนโลกโลกใบดีมากมายครับี่น้องขอทวงต่อนล็อกขอว่างี้ครับ รับเพนาอาทินาฟิตุนยาฮัสนาวาฟิลอาคิรัติฮัสนาวาคินาอาดาบนาฏขอโลกอาคขอขอสองข้อนะอาคิรัตต้องดีแล้วก็ปลอดภัยจากการลงโทษที่ไฟนรกบนดุนยาเนี่ขอข้อเดียวนะดุนยาดีพอแล้วแต่อาคิรัตต้องขอสองข้อนะอาคิรัตก็ต้องดีแล้วก็ปลอดภัยจากการลงโทษที่ไฟนรก bismillahirohmanirohim a l h a m d u l i l l a h i r o b b i l a a m i n ขอสุขกดในเรื้อหมัดของอัลลอฮุซวาดาอัลลอฮุซาาได้กำหนดวันละวีกอเดรอฟฮาดาและอัลลอฮุซวาดารได้ส่งกำหนดและส่งนำทางอาจารย์มุสภาได้มานำทางกับเรา แล้วก็เราได้รับความสดชื่นจากการเรียนการสอนวันนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์เยสินจะเข้ามาอาจารย์มุสสาจะกลับขอนก็ได้นะครับก็ขอร่าอาจารย์อัลลอฮฺมัตัลลาให้อาจารย์มุสสามาทุกเดือนนะครับตรงนี้นะฮะอ่าตอนนี้ผมจะถามอาจารย์นิดนึงว่าที่สิ่งที่เราต้องเตรียมตัวเตรียมใจน บ, บีบอกว่าให้เตรียมตัวก่อนตายลนล้วนบีอัลลอฮฺบอกว่าไงครับ อายุคุมอัศนูอามัลาอันนี้หมายความว่าไงครับบิสมิลลาฮิร rahmanir rahim เอาคุรานมาถามนะว่าอายุคุมอัศนูอามัลาในกลุ่มพวกท่านเนี่ยเวลาเอาหลอดทดสอบทดสอบทดสอบทดสอบเวลาถูกการทดสอบเนี่ยมันต้องแสดงออก การแสดงออกพี่น้องครับต้องแสดงออกด้วยอวัศวะมาลางานที่ดีที่สุดเอาชินยกยกตัวอย่างท่านพี่น้องถูถูรถถูรถชนถูกรถทนเดินเดินอยู่รถป็นมชนท่านมันมีหนึ่งโวยด่าสารพัดทว่าดีหรือไม่ดีไม่ดีทำแบบดีทำไงครับรถชนปั๊บ ขาหักอัลฮัมดุลิลละขอบคุณอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้แค่ขาหักขาขาดเปล่าไม่ได้ขาดแค่ไรนะแค่หักว่าไงขอบคุณอัลลอ์ให้แค่ขาหักขาไม่ได้ขาดขอบคุณอัลลอฮัมดุลิลลอัลดสอบพี่น้องนี่ไงอัะนูอมามาอัลลอ์ดูถูกทดสอบให้สบายให้ระบแล้วดูว่าเขานี่เวลา แต่รับการทดสอบจากอัลลอ์บ้างหรือเล็ก น, น้อยๆเนี่ยจะด่าอัลลอ์หรือเปล่ า, าระวังตัวยังไงทำตัวยังไงพี่น้องเอาขอยกตัวอย่างนาบีม ahoma ถูกโยนขยะใสศ่ศีรษะนาบีผู้หญิงนโยนนะแล้วก็นบีทำไงพี่น้องสามวันติดต่อกันนบีด่าหรือไม่ดา่าไม่ได้ด่าเลยนบีตะปัดลงตะปัดลงตะปัดลงนี่ไงอาฮ์ซนอามะดาทำแบบให้เห็น ไม่ได้ตายพี่น้องพอวันที่สี่ไม่ได้ถูกโยนศรีรษะขยะไม่โยนมานาบีงงไปไหนอะถามถามโรดิมบ้านรู้ว่าไม่สบายนาบีขึ้นไปเยี่ยมนี่ไงอัศนุอามาัลางานที่ท่านนาบีทำเป็นแบบไว้คนเดิมนั่นแหละที่ก็โยนขยะใส่ศรีรษะนบีสามวันนี่นี้ไม่ได้โกรธเลยพี่น้องพอวันที่สี่ ขึ้นไปเยี่ยบวารู้ว่าไม่สบายนี่ไงอศัศนวามาลาขอยกตัวอย่างพวกเราไม่ชอบการทดสอบแต่อัลลอ์ชอบการทดสอบพี่น้องถ้าไม่อยากพบคนต้องออัลลอ์จะอย่าทดสอบหนูเลยหนูในี่ใจอ่อนมากเลยด่าก็เก่งด้วยอัลลอฮ์เราจะมีผลงานอะไรครับผลงานดีเลยที่เราต้องไปอยู่ในกุโบส์นะ อาจารย์ยกตัวอย่างชนิดหนึ่งครับที่เราจะต้องกลับไปทำในวันนี้พี่น้องครับน้ำมาด่ช่วยเยอะๆเลยนะน้ำมาดห้างเวลาเนี่ยการนมาดสุนัตเราบวชติกวันหนึ่งสิบสองเรากะอา่าหรือสิบเราอาจพี่น้องรักษ า, า, าเป็นประจำจะไปเป็นยามเฝ้าเราอยู่ด้านขวามือเรห้าดเลยเลพี่น้อง ตัวอย่างอีกคือน้องการบริจาค ก, การช่วยเหลือคนยากคนจนคนต้อยโอกาสพี่น้องจะเป็นย า, ามรักษาเราพี่นอ้องอามัณทั้งหมดที่เราทํายืนด้านศีรษะก็มีด้านขวามือก็มีด้านซ้ายมือก็มีด้านเท้าก็มีพี่น้องงานอามัณห้ารายการเที่ที่ท่านนาบีสั่งให้ทําในนาหนึ่งกาวกอริมาชาฮ า, าดลลาาาา่าว่าอัชชาดวนลออิลลัฮิลลอห์วะอันน์มุฮัมมัดอัลรัสูล เจ้าด้วยวิจัยที่บริสุทธิ์จริงๆนามารักาถือศีโอดทำบาญีจะเป็นยามเฝ้าเราที่กูโบแต่ถ้าไม่มีห้ารายการนี้เป็นน้องครับลองตายดูสิเดี๋ยวรู้เองเป็น้องอันนี้เป็นผลงานใช่ไหมผลงานครับอ่านคุณวัน ล, ละวัละต้นได้ไหมอ่านวันละวะัะต้นได้ไหอ่านกุรานอ่านกุณวันละวันละนี่เป็นน้องเยอะๆมีหัดดิสอยู่รายงานนึงว่า มีชายคนหนึ่งเสียชีวิตแล้วก็มีท่านยูบรีนเนี่ยลงมาหาท้าว่าจันนามาให้มาเรีน้มาสินามาก็ตั้งแถวนมาถือเนอะพอให้สาามจบนมาจันนาจ้าน่ะมีมาลาอิกาลงมานมาเจ็ดหมื่นแถวะเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นประมาณสี่ห้าแถวพี่น้องท้าวพี่หันไปมองเฮ้ยทำไมมามาลา้ิกามานมาเยอะน่ะถามยิบรีนบอว่าคนนี้เป็น เป็นคนยังไงอ่ะคนนี้นะชอบอาลล่านอุนวลลอฮฺไปอยู่สุรสั้นๆไปน้องอุนวัลลาอฮฺอ่านเยอะมากไปน้องนั่งรถก็อ่านเดินก็อ่านอยู่ในบ้านก็อ่านไปน้องอ่านเยอะมากไปน้องครับอ่านสุรานี้เยอะๆมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮฺกับพี่น้องนอนลองลองลองลองตายดูลองตายดูจะรู้เองจะดียังไงอีกข้อหนึ่งนะครับเดี๋ยวพักดื่มน้ําชาอาจารย์เยสินมาแล้วครับ อ่ามีบอกยังไงครับว่าละหมาดซุพีแล้วอย่านอนให้อ่านกุรอานใช่ไหมครับพี่น้องนมาดซุบเสร็จแล้วให้อ่านคุรอานแล้วก็อ่านอ่านคุรอานจบแล้วก็อ่านดูอาด้วยดูอาตอนเช้าพี่น้องเช่นอัลลอฮุมมัลิกะอัสบะฮนะวะบิกะอัมไซนะวะบิกะนะฮยะวะบิกะนามูตุวะอิไลกันอูชุอ่านอายะุสีอ่านคุนุวัลลอฮ์กุนพี่น้อง อ่านคุณอัลลอฮฺน้องครับปากเราเนี่ยเปียกชุ่มดกว่าการดำลึกถึงอัลลอฮฺดีกว่าการนั่งนินทาใช่ไหมใช่รครับก็ตอนนี้ก็ดื่มน้าชาก่อนนะครับอาจารย์จัสินมาแล้วนะอาจารย์มุสลฟะก็ท่าเดือนหน้าอาจารย์มุสลิฟะก็เป็นวันเสราร์วันเสราร์ที่สี่กับที่สี่เมษายนะวัน อ, อาจารย์มุสละจะมีทุร้พ่อจัมซิวานี่ เวลาเวลาที่อยู่มั่นก็คือนอนเท่านั้นเองนอกนั้นไม่มีเวลาเลยเมื่อวานเจอกันที่อ่าเปิดเปิดนะอ่าโรงพยาบาลทำร้านหนองจอกก็ไปรอรอนานเหลือเกินกว่าจะเจอได้ใช่ไหมครับก็เลยได้นัดกันตรงนั้นอีกทีไปไปย้ากันตรงนั้นนะขอตัาให้อาจารย์นุชฟามาทุกเดือนนะครับอิสระขอรักคุ้มครองครอบครัวของอาจารย์นุสฟานะครับอ่าอยู่นสนามกับ เช่นเช่นเช่นพักเติมน้ำชาหนิดครับเดี๋ยวฉานจะไปอาญาสินจะสอนเลยครับอัลกุสซ์มิลลาฮิรราะห์มานิรราะหีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรราะบินะอามิลวอสซาลาตุวอสซาลาหอัลาอัชรอฟิลอัมบิยาอิยุมุรซาลินอัอาลัอัลีฮิวซัฮบิอัลมัยินสุบฮานักลาย์อินมาเลนาอิลลาะมาลัมตานะอินนักอัมตันอัลิมุลฮะคิมวะลาฮ์วะลาบะลาอัลกติอิลลาบิลลาฮิลัลัยยนอม พบ رح لي صدر ويسر أمر وح لقرة من لسان يفقه قولي พระบิดาเปิดเผ و ให้เราและ ا ู้คนของเราในเรื ا อง ي วามจริงและเราเป็นผู้ที่เปิดเผยให้เราและผู้คนข ق งเราในเรื่ ا ل ความจริงและเราเป ي นผู้ที้องที่มาร่วมริงที่ลงาอจิาที่ลอจิอมยออิลาม ทุกท่านครับแล้วก็ไม่ลืมครับวันนี้เรายังมีพี่น้องเราครับที่อยู่ตามศูนย์ต่างๆอยู่กระจายอยู่อยู่ทั่วทุกภู้นผ้าของเมืองไทยเรานะครับภาคเหนือที่เชียงใหม่ที่เชียงรายครับภาคใต้ที่สตูลครับที่ประจวบครับภาคอีสานที่อุดรที่หนองคายนะครับก็ดีชาวร้อนฮะมีส่วนหนึ่งที่ร่วมรับฟังกับเราอยู่ร่วมร่วมรับอาหารที่เป็นจิตวิญญาณอาหารที่มีปัญญาครับ ท่านครับสมาคมอิสลามครับเพื่อการศรัทธาและการพัฒนาโดยท่านอาจารย์มานัตนานะครับเป็นประธานเป็นนายกสมาคมเป็นประธานเป็นนายกสมาคมอยู่นะครับทางสมาคมครับมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นครับที่จะนําสิ่งดีๆนั้นกลับมาสู่สังคมครับทางสมาคมเรานะครับเราจะเห็นนะครับ โครงการดีๆที่ท่านนายกสมาคมนำนำเสนอเมื่อสักครู่นี่นะครับก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมของสมาคมครับที่พยายามติดต่อประสานกับองค์กรต่างๆครับนำสิ่งดีๆมาสู่กับพี่น้องโดยเฉพาะสมาชิกเรานะครับในตอนนี้เรามีอยู่กว่า14 15แล้วกําลังเพิ่มมาเป็น16เครือข่ายที่อยู่ในในใ น, ในเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้อิสลามที่เ น, น้นเฉพาะเน้นในเรื่องของบอิหารรับแล้วก็การศึกษาอิสลามนะครับ เราจะเห็นนะครับว่ามันมีโครงการต่างๆเข้ามาหนึ่งในนั้นที่ท่านได้นำเสนอเราจะเห็นไหมครับว่าโครงการที่ที่ประสานมาว่าในเรื่องของอาชีพนะครับนั้นใครที่อยากจะได้อาชีพ เป็นรถเข็นที่ขายปลาตั้งโกนะครับตามที่อยู่ที่นี่แค่มีความประสงค์ก็บังกะรีอยู่นะครับแล้วก็ส่วนสมาชิกเรานะครับสมาชิกตามศูนย์อยู่ที่อยู่กระจายอยู่อยู่ทั่วทุกประเทศทั่วภูมิภาคในประเทศไทยเรานะครับก็ติดต่อประปราสานผ่านหัวหนศูนย์หรือว่าที่ปรึกษาศูนย์นะครับแล้วก็ผ่านมาส่วนกลางนะครับแล้วก็ไม่ลืมนะครับเรามีไลน์นะครับช่องทางการติดต่อในกลุ่มเรานะครับศูนย์ต่างๆนั้น มีช่องทางติดต่อกันอยากจะได้ข้อมูลอะไรก็เข้าไปในศูนย์นะครับซึ่งในส่วนนี้ครับมังรีครับก็จะเป็นส่วนที่รับผิดชอบครับนั่นคือสิ่งที่กำลังจะบอกกับเรานะครับว่าความตั้งใจของสมาคมเรานะครับอยากจะให้อยากจะบอกให้เลื่อหนึ่งในสิ่งที่สมาคมอยากจะให้นั่นคือในเรื่องของความรู้ครับซึ่งเป็นสิ่งที่มันมีค่ามากกว่าเป็นสิ่งที่มันเป็นเป็นประโยชน์ที่มันมีความพร้อมเป็นประโยชน์ที่ให้กับเราทั้งในโลกนี้และโลกหน้าได้ มันจึงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสมาคมไม่สามารถที่จะแจกจ่ายของที่เป็นวัตถุเป็นเงินสนับสนุนที่เป็นโครงการอะไรต่างๆเป็นวัตถุให้กับพี่น้องทุกท่านได้ครับแต่สมาคมครับสามารถที่จะแจกจ่ายส่วนที่เป็นวิชาวความรู้เป็นไ อ, อ้นมูซึ่ง อ, อ้นมูนี้มันเปรียบเสมือนกับน้ำครับที่มาหล่อเลี้ยงมาสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับต้นอีมานนะเมื่อใครก็ตามครับที่ต้นอีมานที่อยู่ในหัวใจของเขานั้นมีความเจริญเติบโตมีความสมบูรณ์แน่นอนครับ ต้นอีหมานั้นก็จะออกดอกออกผลมาเป็นสิ่งที่มีความผาสุขความดีงามทั้งโลกนี้และโลกหน้านั่นคือสิ่งที่ทางสมาคมได้จัดไว้แล้วก็พยายามยืนหยัดในเรื่องนี้ท่านครับเราพูดคุยกันอยู่ในเรื่องของฮะดีสนะครับนั้นเราเรียนรู้หะดีสนะครับท่านอาจารย์มุสตาฟาเนี่ยนำในส่วนที่เป็นอันอัลกูรอานก็ผ่านไปแล้วนะครับในส่วนผมจะรับผิดชอบในเรื่องของฮะดีส์ซึ่งผมได้เกินไว้ในเบื้องต้นแล้วใช่ไหมครับว่าผมจะใช้ฮะดีส อาระออันนาบ ว, วีฮะดีษิทฮะดิษของท่านอิหม่ามนา ว, วีนั้นเป็นเป็นแบบเป็นกรอบในการนําเสนอนะเพราะว่าหนังสือเล่มนี้มันจะมีมีเรื่องราวต่างๆที่มันมุตนาวิะหมายความว่ามันครบถ้วนแง่มุมต่างๆในอิสลามเราฮะดิษแต่ละบทที่นําเสนอนั้นก็จะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะในเรื่องนั้นนั้นทำให้เรานั้นมีความมีความพร้อมครับทำให้เรานั้นมีความสมบูรณ์ในเรื่องหลักการ และฮะดิษแรกที่เรายังพูดคุยกันมาเนี่ยสามอาทิตย์แล้วแต่ยังไม่จบสักทีหนึ่งนะครับก็ฮะดิษที่ถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญเลยนะครับท่าน อ, อิมามชาฟีบอกว่าพื้นฐานฮะดิษที่เป็นตัวบทหลักสำคัญเลยในอิสลามเรานั้นมีสามบทบทที่หนึ่งคือฮะดิษที่เราเรียนกันอยู่นี่แหละครับอินดามะอามะลูบิเนียต อามานการปฏิบัติต่างๆของเราจะได้ผลบุญมากได้ผลบุญน้อยหรือไม่ได้ผลบุญเลยขึ้นอยู่กับการตั้งเจตนาดิษที่สองครับมันอัศะมินอัมรินามาลนสัมินธู์ภาวะรั ด, ดนใครก็ตามที่ทำของบิดาของอุตริในสิ่งที่ไม่มีตัวบทไม่มีหลักฐานศาสนาในเอามาป็นบทบัญญัติในศาสนาสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่มรดุดละ์ น, นั้นจะปฏิเสธ เราก็ฮะดิษที่3าครับอินันฮารานบายอินุนวอร์ฮารอมบายอินันของฮลาลรานก็ชัดของฮารอมก็ชัดแต่มันจะมีของมูทชาบีของที่ยังสงสัยอยู่นั้นใครก็ตามที่พยายามรักษาตนจากของมูทชาบีอันนั้นเท่ากับเขาได้รักษาไว้ซึ่งศาสนาของเขาเกียรติของเขาแล้วก็ศาสนาของเขานะครับนั่นสามฮะดิษเนี่ยเป็นพื้นฐานสําคัญเลยนะครับในเรื่องของศาสนาใ น, นนี้กลับมาสู่หะดิษแรกนะครับอินนัมอามาลุมินเนียตอามานสิ่งที่เราปฏิบัตินั้นขึ้นอยู่กับการตั้งเจตนา อินนามาหรือกุลหรืมริอิมมาณว่าแต่ละคนจะได้รับตามที่ตนเองตั้งเจตนาเอาไว้ฟามันกาเฮิจรอตุหุอิลลอฮิวาลอซูลิฮีฟาฮิจรอตุหุอิลลอฮิวาลอซูลิฮีผู้ใดก็ตามที่เจตนาของเขานั้นมุ่งมั่นเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานูร์ตาลาเป้าหมายของเขานั้นเพื่อเพื่อทารุสลอสลารุสลอฮ์ฮุลสลัมเบอร์เพื่อศาสนาเขาก็จะได้รับตามสิ่งที่ตนเองได้ตั้งเจตนาเอาไว้ ัง ก, การิจรตูลีดุญยยุสีบุฮาใครเขาตามที่เป้าหมายของเขาดันเพื่อผลประโยชน์ในโลกนี้เขาก็จะได้รับตามที่ตั้งเจต น, นาไว้แต่ผลบุญไม่ได้ฟัฮิจโรตููอิละวะฮิมาฟัฮิจรตูหูอิละมาาจรัมาอิละมาห้าจาระอิไลใครตั้งใจเจตนาเพื่อสิ่งใดเขาก็จะได้สิ่งนั้นถ้าเจตนาเพื่อโลกนี้เขาก็ได้ผลประโยชน์บางครั้งในโลกนี้แต่ถ้าเจตนาในโลกอาเราเขาจะได้รับโลกอาเรานันอย่างเต็ ม, ตม นั่นคือในภาพรวมของฮัลลิสที่เราได้รับไปตอนนี้เราจะมาเจาะลึกกันหลายเรื่องเลยนะครับว่าฮัลลิสเนี่ยเป็นฮัลลษ ส, สที่ทรงคุณค่าฮัลลิสนี้เป็นแก่นเป็นแก่นในเรื่องของาศาสนานั่นคือฮัลลิสนี้เก่าเน้นย้ําในเรื่องความอิคลาส ค, ความบริสุทธิ์ใจครับนั้นความบริสุทธิ์ใจนั้นอยู่ที่ใดก็ตามนํามาซึ่งความเจริญนํามาซึ่งบาริกะนํามาซึ่งความดีงามแต่ เมื่อใดก็ตามครับที่ความคลาสนั้นเหือดแห้งลงไปจากจิตใจของเราจากจิตใจของผู้คนแน่นอนครับความวิปัสต์ความวิปัติความระสรัมระสายนั้นจะเกิดขึ้นในสังคมนั้นๆ <S an> ปัจจุบันนี้เราเห็นภาพชัดๆนะครับว่าตัวเราเองบางครั้งนี่นะครับมันก็จะมีมีภาพเกิดขึ้นว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันทําเพื่ออะไรสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เรากล่าวสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เรานิดมันเพื่ออะไรองค์กรต่างๆที่ทํางานเพื่อศาสนา นะครับสิ่งที่เขาทําเจตนาลมของเขาธงที่ก็ปักเอาไว้นั้นมันทําเพื่ออะไรนะครับงั้นถ้าถ้าทำเพื่ออวัลย์อย่างชัดชัดแน่นอนครับความสงบความดีงามบรารัก้ามันจะเกิดขึ้นแต่เมื่อใดก็ตามครับที่ธงนั้นปักเอาไว้มันไม่ชัดเพื่ออวัลเพื่อโลกอักร์เคียร์วิธีการเจตนาลมที่ทําไว้ทั้งหมดในนั้นเพื่ออวัลถ้ามันไม่ชัดแน่นอนครับปัญหาอุปสรรค ความวิบัติมันจะเกิดขึ้นในสังคมอย่างแน่นอนเนยนั้นในเรื่องนี้จะมีเรื่อที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับรู้ไหมครับสิ่งที่ถ้าเราโซลล์โซลล์โซลล์เลยสลับนั้นกลัวที่จะเกิดขึ้นกับอุมมะประชาชาติของท่านมีเยอะแยะมาหมดเลยแต่สิ่งที่นบีกลัวมากที่สุดมากที่สุดนั่นคืออะไรฮะอัดูฮะดิสเน่นบีบอกว่าอัควาฟูมาอัคาฟูอัลลอุลมะที่อัชชุรกลคาฟีสิ่งที่ฉันกลัวว่าจะเกิดขึ้นกับประชาชาติของฉันมากที่สุด นั่นคือเชิกลัวเชอริกคอฟี่เชอริกที่มันซ่อนอยู่เชอริกที่มันไม่เห็นตัวตนอยู่บันดาวซาบาถามว่าคำว่าชิญกลคอฟี่เนี่ยชอริกที่ซ่อนเร้นอยู่นั้นคืออะไรท่านหลวงลก็ตอบว่าอริยะริยะคือโอ้อวดริยะอือทำให้คนอื่นเห็นทําให้คนอื่นต้องการทําเพื่อให้คนอื่นชมทําเพื่อคนอื่นไม่ได้ทําเพื่ออรรรยานั่นคือริยะนั้นอริยะ ไอสิ่งนี้นั้นเป็นสิ่งที่ทัรอสโลลลอสโลลลอสฮะเลลัมนั้นทรงกลัวมากที่สุดที่จะเกิดขึ้นสาเหตุถ้าเป็นสิ่งอื่นเป็นความผิดอื่นนะครับเราจะเห็นนะครับเราจะรู้ว่าเป็นความผิดเราจะรู้เดี๋ยวก็มีคนมาเตือนกันแต่ถ้าเป็นเรื่องเชื้อกุ้งกาแครับเชื้อกุ้งกฟเชริกที่มันซ่อนเร้นอยูนะ่เนี่ยมันซ่อนอยู่นะออยครับมันไม่เห็นมันไม่ชัดพอไม่เห็นไม่ชัดบางครั้งนี่มันเกิดมันเกิดมาโดยที่เราไม่รู้ตัว และมันเป็นไหยนะคําพูดที่บอกว่ายุงนั้นร้ายกว่าเสือนั้นชัดจอธิบายในเรื่องนี้ได้ชัดเลยนะครับยุงร้ายกว่าเสือจริงๆนะครับเสืออยู่ในป่าดูเหมือนว่าเป็นสัตว์ที่ดูร้ายเรากลัวมากแต่เสือนั้นยังสู้ยุงไม่ได้ครับยุงตัวเล็กๆ น, น, นะครับเพราะอะไรครเพราะยุงนั้นอยู่ในมุง้งยุงจะเข้ามาในมุ้งได้นะครับอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านที่มีลูกกงนะครับมีรวดมันก็ยังเข้ามาได้ นั้นถ้าเราสู้ร้องสโลมร้องเขาซาลัมบอกกับเราในหะดิสนี้แล้วก็พอเราเราจับประเด็นในคําว่ายุงนั้นร้ายกว่าเสือเราจะเข้าใจเลยนะครับนั้นในเมื่อสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถ้าเราสูลร้องกลัวมากที่สุดเพราะว่าแน่นอนมันนํามาซึ่งอันตรายนํามาซึ่งหายนะนะครับหายนะอันยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับตัวเรากับสังคมเราก็อันเนื่องมาจากเราขาดความเข้มข้นในเรื่องของการอคลาสความไปสุดใจเพื่อเราสบา ย, ยนว่าตลาดนั้นจะดีไหมครับว่า เรามาทำความเข้าใจในเรื่องนี้และเราจะทำอย่างไรละครับที่จะรักษาตนให้รอดพ้นจากความอิคลัสให้รอดพ้นจากการชิลกุลคอฟี่นี้ได้หรือทำอย่างไรละครับ ที่จะทำให้เรานั้นมีความเอคลาสความไปสุดใจทําอย่างไรนะครับที่เราจะสร้างความเอคลาสความไปสุดใจได้เป็นประเด็นที่อยากจะนําเสนอในวันนี้แล้วก็คนที่ฟังอยู่ที่นี่พี่น้องที่ฟังอยู่ที่นี่หรือพี่น้องที่ฟังอยู่ที่ตามโซนนะครับไม่ตึงกลัวนะครับเดี๋ยววันนี้ที่ชอบวะครับรับปากเอาไว้ว่าเป็นอามานะเดี๋ยวผมจะจะ จะไล่นะครับข้อม yeah. ูลอย่างนี้ไปที่ไปที่กลุ Reason> ่มของกลุ um ่มของกลุ่มของเรากลุ่มของศูนย์เรานะครับเดี๋ยวบางกะดีคุยกับบางกะดีไปแล้วนะครับเดี๋ยวข้อมูลในเรื่องนี้นั้นเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะทําเป็นข้อมูลเข้าไปอัปโหลดเข้าไปในไลน์ของกลุ่มเรานั้นใครที่ไม่รู้กลุ่มเราไลน์เป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวบางกะดีไปที่บางกระดีได้นะครับข้อมูลนะครับครับ สิ่งที่จะพูดในวันนี้นะครับตัวช่วยที่จะทําให้เราแน่นรักษาความอิคลาสไว้ได้สิ่งที่จะพูดในวันนี้คือสิ่งที่จะมาขาจัดเชืคคอ้อพ่นกาแฟให้ออกออกจากตัวเราให้ได้มีอะไรบ้างครับข้อที่หนึ่งครับมาอริฟาตอันวาอิตาฮิตต้องรู้เรื่องของการตเตาฮิตรู้การศรัทธาคําว่าเตาฮิตการศรัทธากับอัลลอฮฺสุบฮานวีวาตานานั้นต้องรู้ว่ามันเป็นอย่างไรบ้าง2วาตะกีกีฮะ รู้แล้วนั้นต้องให้มันซึ้งให้มันแน่นให้มันเกิดขึ้นจริงในชีวิตเราเอาความรู้ที่เรารู้ทางปัญญานั้นเอามาเชื่อมโยงกับชีวิตเราได้และต้องให้เกิดแบบนี้เลย และภาษวมตตะอับดูลิลลาฮิตาลับิอัสมาอินฟุสนาววสิฟาติฮิทำอิบาดะับประโลษุบฮานุวาตารันโดยอาศัยพระนามของอัลอฮุสุบานวาตาและศิฟ้าของอัลลอฮุสุบะฮานุวาตาร์มาดูมันหมายหมายถึงอะไรฮะนันการที่เรารู้จักประเภทของตัวเฮตตาวเฮตคือการศรัทธาตัวเฮตมาจากําว่าวะฮดะการทาให้เป็นหนึ่งตัวเฮตคือการทาให้เป็นหนึ่งและมันหมายถึงการทำให้อัลลอ์เป็นหนึ่ง เป็นหนึ่งในการบริหารจัดการของอัลลอฮฺสุบฮานุาตาลาเราเรียกว่าตตวฮิรูบูบียะเหมือนคำว่าอัลฮัมดุลิละฮิรอบบิลลาลหมีนคำว่ารับเป็นเป็นผู้พระผู้อภิบาลแห่งสา ก, กลโลกนั่นหมายถึงว่าพระผู้สร้างพระผู้ให้นั่นอยู่ที่อัลลอฮฺสุบฮานุตาลาเป็นพระองค์เดียวคนเราครับถ้ามีความมั่นใจว่าอัลลอฮ์องเดียวเท่านั้น فإذاعلم العبد أن الله وحده هو الذي ينفع ويضر كه ور ومن جن อัลลอฮ์ ي ي องเดียวเท่านั้นองค์เดียววงเล็บเท่านั้นอัลลอฮ์องเดียวเท่านั้นที่จะให้คุณกับเราได้หรือที่จะให้โทษกับเราได้แน่นอนครับความอิคลาสนี่มันจะเกิดขึ้นแล้วนั้นอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ที่ให้กับเรานะครับถ้าอัลลอฮ์ให้ไม่มีใครมาห้ามอัลลอฮ์ห้ามไม่มีใครมาให้ มนุษย์ทั้งหลายทั้งมวลนั้นจะเป็นหัวหน้าจะเป็นนายจ้างเราจะเป็นนายห้างจะเป็นพ่อจะเป็นแม่เราก็ตามเขาเป็นเพียงแค่สื่อเป็นเพียงแค่สา บ, บเป็นเหตุที่ทำให้เกิดริสกีทำให้เกิดประโยชน์หรือทำให้เกิดโทษกับเราแต่ผู้ที่อยู่เบื้องหลังกดไฟเขียวไฟแดงผู้จะให้หรือไม่ให้นั้นขอให้เรามั่นใจครับอัลลอฮ์องเดียวนั้นถ้าเรามีความมั่นใจในจุดนี้นะครับอะไรมันจะเกิดขึ้นล่ะฮะ โอหพี่น้องครับการศรัทธานั้นการดื่มด่าจิตวิญญาณในศรัทธานั้นมันจะเกิดขึ้นยกตัวอย่างนะครับในขณะที่ท่านละโสรละโสรซันกับท่านในบูบักอยู่ในถ้ำหนีกุฟาร์มักกะมัสยิกวนมักกะที่จะจับตัวท่านนะครับยังมีกลุ่มหนึ่งครับที่ขึ้นไปบนบนยาบ้านบนเขาเสร็จแล้วเข้าไปในถ้ำอบูบักมีความตระหนักตรนกตกใจในขณะนั้น กลัวว่าถ้าเราสุลลาะสุลลาะสลัมนั้นจะได้รับอันตรายถ้าเราสุลลาะนั้นกล่าวปลอบใจกับอบูบักลาตาซันอินนลลามานะอย่าได้วิตกกังวลอย่าได้หวาดกลัวเลยอัลลอฮ์อยู่กับเรานอัลลอฮ์อยู่กับเรามาแต่จนนุษยในนี่อัลลอฮุซานิสุฮาอบูบักรสิ่งที่ท่านคิดว่าเรามีกันสองคนไม่ใช่นะ อัลลอฮ์เป็นผู้ที่สามที่อยู่กับเรานั่นคืออัลลอฮ์เป็นผู้ที่คุม้มครองช่วยเหลือเราให้รอดพ้นจากพยายนอันตรายต่างๆนั้นนะได้อัลลอฮ์องเดียวเท่านั้นที่ให้ริสกีเราได้ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเราไม่ได้อยู่คนเดียวนะไม่ใช่ตัวคนเดียวหัวเดียวกับเทมรีบนะแต่เรามีอัลลอฮ์สบายเหนวอตาหนาะดังน้นที่น้องครับถ้าความรู้สึกนี้เนี่ยมันมันเกิดขึ้นอย่างเข้ ม, เ ข, มเข้มในจิตวิญ ญ, ญาณเราเนะี่ยเหมือนกับที่ท่านรอซูลละบอกกับบูบักเหมือนทีน่ท่านท่านนบีมูซาในอิสลามคร ให้กำลังใจกับสาวกของท่านในขณะที่ในวันนั้นไม่มีใครช่วยได้เดินไปข้างหน้านั้นเป็นทะเลแดงข้างหลังเป็นกองทัพชุโูอุนเราสาวกนบีมูซาบอกว่าอินนและมุจาโรกูแน่นอนนบีมูซาฟิรูอุนกำลังตามรามาทันแล้วนะแต่เอาแต่ท่านนาบีมูซาให้กําลังใจแล้วก็บอกบอกความจริงว่าอย่างไงฮะกั้นล่ะไม่ตามไม่ทัน ข้าเราไม่ได้เพราะอะไรอินนามาัยรับปีสยามดินเพราะอัลลอฮ์อยู่กับเราและอัลลอฮ์จะให้ทางออกทางรอดกับเรานั่นครับนั้นความรู้สึกแบบเนี้ยถ้ามันเกิดขึ้นในจิตวิญญาณเราครับแน่นอนใช่ไหมฮะอัลลอฮ์อง์เดียวเท่านั้นที่ให้ให้เรารอดได้อัลลอฮ์องเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เรามีความสุขได้อัลลอฮ์องเดียวเท่านั้นที่จะให้เรามีริสกีมีปัจจัยอย่างชีพได้สิ่งอื่นนั้นเป็นเพียงแค่สา บ, บแต่สา บ, บเหตุนั้นถ้าอัลลอ กฎอีกอย่างหนึ่งแน่นอนมันต้องไปไปตามเหตุของอัลลอฮฺสุบฮานานุวาตานะถ้าอัลลอฮฺให้ไม่มีใครมาห้ามอัลลอฮฺห้ามไม่มีใครมาให้นั่นคือความรู้ในเรื่องนี้ครับอัลลอฮฺองเดียวเท่านั้นครับที่ช่วยเราได้ทําให้เรานั้นมีพลังใช่ไหมครับมีพลังในการต่อสู้กับปัญหากับอุปสรรคในแน่นอนครับมันจะทําทให้เรานั้นมีความอิคลาสครับมีความอิคลาสมาความปสุขใจในเมื่ออัลลอฮฺองเดียวเท่านั้นที่จะให้เราได้ที่จะช่วยเราได้สิ่งอื่นถ้าอัลละฮฺไม่ให้เด้ แต่ถ้าอวโลกให้ไม่มีใครมายับยัง้งอวโลกได้เราทำก็ทําอะไรตอบโจทย์โจทย์เรานั้นมีแค่โจทย์อเดียวครับทําให้ออวโลกทรงรักทรงพอพระทัยและเรื่องอื่นมันจะดีเองรู้ไวเพียงแค่นี้นะครับหลักกรอบในการใช้ชีวิตเรารู้ในเรื่องนี้มันจะทําให้เรานั้นสบายใจไปได้หลายอย่างเลยทําให้ชีวิตเรานั้นมีความโล่งมีความสบายมีแรงบันดาลใจกับมีพลังในการต่อสู้กับปัญหากับอุปสรรคนแน่นอนครับทำให้เรานั้นมีความเิกลักษ์อย่างแน่นอนเลย ปัญหาทุกวันในวันนี้ที่เรายังไปไม่ถึงไหนเพราะเราติดลมในเรื่องนี้ครับเราคิดว่าบางครั้งเราคิดว่าริสกีที่เกิดขึ้นมาก็เพราะว่าเราต้องทำงานทำงานต้องมีหัวหน้ามีนายจ้างโจทย์ของเรานั้นคือทำให้ทำให้ใ ห, หัวหน้านายจ้างนั้นตอบอรักเราอย่างดีที่สุดนั้นการประจบสอพอการใช่ครับใช่ครับนายใช่ครับพี่ จริงๆสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมเราในในใ น, ในเรื่องการทำงานในเรื่ององค์กรใช่ไหมครับจนกระทั่งว่าไอเดียดีๆความคิดดีๆที่เราเราจะเสนอหรือที่บางครั้งสิ่งที่ไม่ดีที่เราที่เราจะแนะนําที่เราจะค้านมันถ้าเราไม่กล้าก็เพราะอะไรฮะก็เพราะเราติดลมในอย่างนี้ติดลมเพียงแค่ว่ามนุษย์นั้นให้พอใจเราเราคิดใหม่สิครับเปลี่ยนความคิดครับสามร้อยองศาเลยนะครับโจทย์เรานั้นง่ายนิดเดียวชุดเราไม่ได้ยากเลยชุดเรามันจะเหนื่อยน้อยกว่า ชีวิเราะประสบความสําเร็จเร็วยิ่งกว่าและดียิ่งกว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าเพียงแค่เรานั้นหลอล้อมรวบรวมครับโจทย์เราเพียงข้อเดียวครับให้อัลลอฮ์ทรงรักทรงพอพระทัยเราเพราะอัลลอฮ์องเดียวเท่านั้นที่ให้คุณให้โทษแก่เราได้นั่นคือส่วนผมพูดถึงส่วนที่มันลึกมากเลยนะฮะและสิ่งที่มันเป็นจิตวิญญาณที่แท้จริงของอิสลามเราที่ทารุณสโลลัลสโลลัลของอิสลามนั้นพยายามนำมาบอกกับเราทําความเข้าใจกับเราอย่างมากที่สุดทําความเข้าใจกับมุสลิมกลออารับมักกะสิกว่าปีถึงยี่สิกว่าปีนนั้ก็ เรื่องนี้ฮะเรื่องให้คนมีความทราบซึ้งในเรื่องนี้ให้ให้เกิดนะครับให้เกิดความศรัทธาอย่างเข้มแข็งในเรื่องนี้ เพราะอะไรฮะเพราะถ้าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นในจิตวิญญาณเรามันจะพัฒนาศักยภาพของเราอย่างมากเลยนะฮะคนเราจะมีคุณเป็นคนที่มีมีศักยภาพเป็นคนที่มีคุณภาพมากเลยถ้ามีเรื่องนี้เขาจะไม่กลัวสิ่งใดกลัวรัศมีมหาลัทธิแรงเป็นเพียงองค์เดียวเขากล้าพูดกล้าทําในสิ่งที่ดีในสิ่งที่มีความสร้างสรรค์ทั้งทั้งโลกและทางธรรมในสิ่งใดก็ตามครับที่เป็นสิ่งที่มีดีเขากล้าที่จะระงับได้กล้าที่จะกล้าที่จะอะไรกล้าที่จะฝ่าฝืนได้เพราะอะไรฮะจุดพ้อเพื่อว่า ไม่ได้เพื่อเพื่อมันจะเพื่อมนุษย์นั้นพยายามสร้างเรื่องนี้ครับสร้างความรู้สึกในเรื่องนี้เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่ทำได้ครับสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้จากการที่เรานั้นฝึกพยายามฝึกฝึกให้เกิดเป็นความเคยชินให้มันติดปีนิสัยของเราเลยนะครับเราฝึกในเรื่องอื่นมากมายเลยยกถ้านติดปีนิสัยใช่ไหมครับ ฝึกในการใจเร็วฝึกในการปากเร็วฝึกในการคิดในสิ่งที่ไม่ดีเร็วเกินไปฝึกกันได้แต่ทําไมฝึกในเรื่องดีๆทาไมเราปล่อยไปละครับนั้นฝึกใหม่ครับฝึกในเรื่องนี้ครับฝึกในเรื่องนี้ว่าทําความรู้สึกความความรู้สึกในจิตวิญญาณเรานั้นให้มีความอิงกับเรื่องนี้อัลลอฮ์องเดียวเท่านั้นอัลลัลฮะห์วะลลัลลิยัดุรุ ว่าย่ำฟะอัลลอฮ์อง์เดียวเท่านั้นที่จะสามารถให้คุณได้โทษกับเราได้ถ้ามีสิ่งนี้มั่นมั่นแน่นอนอิคลัสจะเกิดขึ้นเราก็จะทําเพื่ออัลลอฮ์แล้ไม่ได้ทําเพื่อมนุษย์มันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเลยนะครับเช่นเดียวกันครับวามาตาอริมาอันลลอฮ์ซาเมอุนดาซอรุนยาลมุข้อินตะลอาจุนวะมาตุขฟีอัลดูรตุราห์มูราอับะตานัสวาตาอัลลอฮ์นั้นถ้าหากเรามีความ มีความมั่นใจสายตาที่เราเห็นหรือหูที่เราได้ยินนั้นเรารู้แน่นอนว่าเรามีความมั่นใจว่าอัลลอฮ์รู้ในสิ่งที่เราปฏิบัติคนทั้งหลายไม่รู้ในสิ่งที่เราคิดในสิ่งที่เราปฏิบัติแต่อัลลอฮ์รู้ว่าสิ่งที่เราทำมันเพื่ออะไรทำซาลก้อนเพื่ออะไรทําเพื่อสแสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮ์หรือเพื่อที่จะให้คนสรรเสริญเราให้คนยกย่องเรามนุษย์ไม่รู้แต่อัลลอฮ์รู้นะครับเมื่ออัลลอฮ์รู้แน่นอนอัลลอฮ์พร้อมที่จะ เอาเราพร้อมที่จะตอบแทนสิ่งที่เราทำเอาไว้นะครับนันนีสิ่งที่เราทำนะครับจะดีหรือไม่ดีเอาลรู้อย่างแน่นอ น, นครับสิ่งที่เราทำปัญหาที่เกิดขึ้นคํานินทาคําพูดให้ร้ายของคนอื่นที่ว่าเราครับก็เราคิดคิดง่ายๆครับไอสิ่งที่เขามาวิจารณ์เรามาตำหนิเรามาคอมเมนต์เรานะครับมาโพสตไอความไม่ดีเราถ้ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีจริงๆมันเป็นของถูก เราก็เพียงแค่เอาสิ่งนั้นมาใช้ประโยชน์นะครับเราก็ปรับปรุงแก้ไขอัไรห้มโดยิน ล, ละแต่ถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกเป็นสิ่งที่ผิดเราไม่ได้ทําเราไม่ได้พูดเราไม่ได้กล่าวหามันก็ไงฮะสิ่งที่ไม่ดีมันก็กลับไป ไปสู่คนที่โพสตคนที่ว่าเราเนี่ยแหละครับเรานั้นเอาความดีเขาเอาความดีมาให้เรานะครับเรานั้นอยู่เฉยๆคนเอาความดีมาให้กับเรา <S <S 1> <S 1> นั้นคนที่มีความรู้สึกแบบนี้นะครับ <S <S 1> <S 1> เขาจะคิดได้แบบนี้ฮะว่าอัลลอฮ์รู้เนี่ยอัลลอฮ์ๆๆรู้แล้วอัลลอฮ์จะให้ในสิ่งที่เราพูดในสิ่งที่เราทําเราไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวและไม่ต้องแคร์มนุษย์มากจนเกินไปแต่สิ่งที่เราจะต้องกลัวและต้องแคร์มากที่สุดแคร์อัลลอฮ์และกลัวอัลลอฮ์เขาฝากประเด็นนี้ไว้เลยนะครับ เ ป, เป็นวัชทองเลยนะครับชีวิตเรานั้นกรอบชีวิตเรานั้นขอให้เราได้แครอัลลอฮ์มากกว่าแครมนุษย์นั้นใครก็ตามที่แครอัลลอฮ์อิชะอัลลอฮ์จะให้ความสำเร็จทั้งดุนแดนและอาคียราะและอัลลอฮ์จะให้มนุษย์ได้เข้าใจเขาว่ามันสัมมาสัมมาอัลลอฮ์แต่ใครก็ตามครับโม้แต่แครมนุษย์นะครับโดยที่ความแครอัลลอฮ์นั้นเป็นเรื่องที่มันอ่อนมากไม่มีพลังแน่นอนอัลลอฮ์จะให้เขาอัลลอฮ์จะให้มนุษย์รู้ครับว่าเขาคิดอย่างไรเขาทำอย่างไรในสิ่งที่ไม ต้องมีความความรู้รอบรู้ลึกแล้วก็รู้กว้างในเรื่องนี้ในเรื่องของเตหิตการศรัทธากับรัศมีพหานี่ว่าตลาครับข้อต่อมาครับตัวช่วยครับโมบอเลอตุอยูอยูบีฮีว่าอาปาทีฮีว่าบักซีรีฮีเปียมาฮีขอให้เรานน้นมีความสแกนครับสแกนคำว่าตคือสแกนคือให้รู้พยายามค้นหาครับ ค้นหาว่าตัวเรานั้น โ, โหความผิดนั้นเพียบเลยตั้งแต่ตื่นมานะครปากเราการกระทําเราบางครั้งที่มันฝืนคำสั่ ง, ขงเขาแล้วมันมากมายมหาศาลเลยใช่ไหมครับนั่นสิ่งที่เราผิดสิ่งที่เราได้ด้วย สิ่งที่เราได้เล่เมิดคำบรญชาขอร้องสุภาในตลามันมากมายมหาศาล ม, ม, มากนั้นการที่เรานั้นได้มีความเอกลักษการที่เรานั้นมีการเบสุจใจเพื่อร um ้องสุบภาในวัตลานั้นมันจะเป็นสิ่งที่นํามาซึ่งสิ่งดีๆให้กับชีวิตเรามันจะลบล้างความผิดพลาดลบล้างสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นในชีวิตเราได้นั้นพยายามสแกนพยายามค้นหาพยายามเอ็กซเรย์ A ครับอามาจที่เราทํานั้นมันทํามันตอบโจทย์เพื่อใครสิ่งที่เราทํานั้นตอบโจทย์เพื่อมนุษย์หรือตอบโจทย์ผู้อัลลอฮ์ครับพยายามสแกนดูเราจะพบ น, นเมื่อสแกนแกน็จะพบ เมื่อคนเราก็เราก็จะหาเจอนั้นเมื่อหาเจอเราก็สามารถที่จะทําลายไปได้สิ่งที่ไม่ดีครับก็ดีลิททาลายทิ้งไปเลยนะครับทิ้งไปเลยนะครับที่มีมีความอิจราทีม่มีความเป็นสุดใจแล้นจะเอามาเอามาเป็นอุปสรรคในตัวทวงความเจริญความสําเร็จชีวิตเราทั้งดวงยาและอะไรว่าทำไมครับเจอแล้วพยายามทิ้งไปพยายามพยายามลบออกไปจากชีวิตเราอย่าให้มีสิ่งนี้เกิดขึ้นครับประการต่อมาครับ อนนสุรฟีอาคิบัติริยะปิดดุญยาวบลอาเคโรขอให้เรานั้นเล็งเห็นถึงอันตรายของการที่เรามีริยามีการโอ้อวดครับเล็งเห็นผลสุดท้ายมันมันอะไรมันจะเกิดขึ้นถ้าเราทําแล้วนั้นไม่มีความเอกลัสหรือถ้าเราทําแล้วนั้นมันมีแต่ความริยาความกระกำบดความโอ้อวดไม่ได้ทําเพื่อแล้วให้เราไิดสิ่งว่าผลสุดท้ายมันเป็นอย่างไรเราอาจจะทําบุญหนึ่งล้าน นะครับทำเพื่อให้คนชมเราทําให้คนได้เจาะึกว่าเราเป็นผู้บริจาคแต่เราไม่ได้ทําเพื่อเรารู้ไหมครับว่าหนึ่งงนหนึ่งล้านนันมันไร้ค่านัลอวโลกุปหานโดยตาในวันเกวมมันไม่ได้มีน้าหนักในตาช่างอะไรเลยโอ้หมันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ใช่ไหมครับว่าสิ่งที่เราทํามาทั้งหมดเลยเนี่ยดูมันเป็นเรื่องใหญ่แต่ถ้าขาดความอิคลาสขาดความเป็สุดใจมันเหมือนไม่มีอะไรเลยท่าน อัลลอฮฺอินนุบูบารอก่าวคําที่เป็นวาวาวาทะเลยนะครับท่านกล่าวว่ารุบบะอามะเรนสอกเรรันตุกับเิรุอันนียะตุหลายครั้งที่สิ่งที่เราทำนั้นเล็กน้อยมากเลยแต่การเหนียดที่ดีนั้นทําให้งานชิ้นนั้นเป็นงานใหญ่นะอัลลอฮฺสุบฮานูอัลลาหล์วรุบบะอามะเรนกัมเรุรันตุสอกเรูอันนียะตุหลายครั้งที่สิ่งที่เราทำนั้นดูเหมือนเป็นเรื่องใหญ่ แต่การเหนียดที่ไม่ดีการเนียดที่ไม่มีความอิสระนั้นทําให้งานนั้นเล็กนิดเดียวเองนั้นฝากเอาไว้อีกประเด็นหนึ่งเลยครับว่าขอให้สิ่งนี้นั้นอยู่ในจิตวิญญาณเราอยู่ตลอดกัแล้วครับว่าสิ่งที่เราทํามันไม่สําคัญครับในเรื่องของปริมาณแต่งที่สําคัญคือคุณภาพครับคุณภาพบางงานที่เราทํานั้นมันทําเพื่อใครทําเพื่ออาล้อถ้าทำเพื่อเอาล้อ แม้เล็กน้อยนั้นบางครั้งมันจะขยายมันมันเป็นระเบิดออกมาเลยว่าบางครั้งสิ่งนั้นอาจจะทําให้เรานั้นพลิกชีวิตเราได้ทําให้เรานั้นพลิกชีวิตในดุนยานี้ก็อาจจะเป็นไปได้และพลิกชีวิตในโลกอาเกีร์ร็อกก็ได้แต่เช่นเดียวกันครับบางครั้งอมามัรที่เราทําแม้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องมากนะครับในสายตาของมนุษย์แต่ถ้ามันไร้ซึ่งความอิคลาส ร้ายส่งความเปสุดใจแล้วงานนั้นเป็นงานเล็กนิดเดียวเองมันไม่มีคุณค่านั่นเห็นแล้วครับว่าโอโ้มันมันไม่มีคุณค่าเลยนะครับอากิบะวระสุดท้ายผลสุดท้ายมันเป็นอย่างไรนั้นทำสิ่งนี้พอสิ่งนี้เราเข้มเข้มเราจะพบว่าโอโ้มันมันอะไรมันได้ค่ามากเลยอายะกุรอานบทหนึ่งครับที่กล่าวถึงในเรื่องนี้ครับอลัลลอฮฺสุบบานุตาลาตัดไว้นะครับว่ามันแกเนยูรีดุลอาจีนะ ผู้ใดก็ตามที่เขาปรารถนาการตอบแทนแบบจานด่วนอันเจริญการตอบแทนแบบเร็วๆการตอบแทนในโลกดุนยานี้โดยที่ไม่ได้หวังการตอบแทนในโลกอเกาเคียร์อัจจนาโลฟีหามานะชะลิมันนูริดเราอัลลอฮฺสุบฮาหนุ์แต่เราก็จะจะให้เขาให้เขาตามที่เราเจตนานะตามที่เราต้องการตามที่เรานั้ปรารถนานั่นหมายถึงว่าบางครั้งเขาอาจจะได้หรือไม่ได้ได้น้อยได้มากก็แล้วแต่นะครับ สุม้มมะยานนาและหัวใหันนามา ต, ต่อมาในโลกอาเกลร์เขาจะได้เขาจะได้รับนรกยันนำคุมนรกอายามบินบละยาสลาหามาสมุมามาตรุรอซึ่งเขาจะเข้าไปในนั้นอย่างน่ารักอย่างอย่างอย่างสยดสยองอย่างไร้ค่าครับนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานุจาระบอกกับเราครับว่าใครก็ตามครับที่ต้องการผลตอบแทนจานด่วนเ e อ็กเพรส ซึ่งสังเกตดูนะครับในปัจจุบันนี้เราจะเห็นภาพชัดครับเป็นอาหารส่วนใหญ่เราก็จะเป็นอาหารจานด่วนใช่ไหมครับเสร็จแล้วอาหารจานด่วนเป็นไงครับเป็นไงครับอาหารจานด่วนส่วนใหญ่แล้วอุดมไปด้วยของที่เป็นอันตรายใช่ไหมครับเป็นไขมันเป็นน้านําตาลอะไรก็ตามสังเกตตอนนี้คนที่เป็นโรคอ้วนนะครับก็เพราะว่า เพราะว่าบริโภคอาหารที่เอ็กเพสนะครับจาดดนด่วนนครับฟาสต์ฟู้ดต่างๆนะครับนั้นคนที่ต้องการการปอบแทนหรือต้องการจารด่วนเร็วๆนี่ส่วนใหญ่เป็นไงฮะเวลาสุดท้ายก็เป็นสิ่งที่มันเป็นอันตรายเช่นเดียวกันครับตัวนี้นั้นยาในตัวยานะครับยาที่คิดว่ามันมีคุณยาที่มันมีมีคุณภาพนะครับรักษาได้อย่างเร็วเลยคือยาส่วนใหญ่เขาใช้สารชนิดหนึ่งครับ หมอบอกกรสานสเตียรอยที่เราเคยได้ยินกันนะครับว่าจะเป็นยายาทายากินถ้าใส่สารตัวนี้ไปแล้วมันทำให้อาการเจ็บไข้ได้ป่วยนะั้นมันหายเร็วหายมันปิดทิ้งเลยแต่ผลข้างเคียงระยะยาวนั้นโอ้โหมันมากมันอาจจะให้เราได้หายเจ็บไข้ป่วยในบางโรคแต่ว่าจะทำให้เกิดโรคอีกหลายอย่างนั่นคือ อาจรแล้วที่เราเห็นในภาพในในโลกปัจจุบันนี้ว่าถ้าต้องการจานด่วนจะเป็นอาหารหรือจะเป็นยารักษาโรคที่มีสารสเตอ ร, ร, รอยนี้เข้าไปในยานนั้แล้วนั้นมันระยะยาวแล้วจะทําส่งผลร้ายให้กับร่างกายเราเช่นเดียวกันไม่ต่างอะไรกับในเรื่องของการที่เรานั้นปรารถนาการผลตอบแทนในโลกนี้มากกว่ากี่อบเลยครับไม่ต่างอะไรกันเลยถ้าเรามัวแต่คิดมัวแต่การการหวังผลตอบแทนในโลกนี้ ในระยะยาวแล้วมันจะเป็นผลอันตรายครัในระยะยาวแล้วนั้นมันจะเป็นอันตรายกับชีวิตเรามันเป็นหายนะที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราเพราะเรานั้นจะไม่มีคุณค่าเรานั้นจะไม่ได้รับสิ่งที่ดีในชีวิตเราเลยนั้นพยายามหวังเจาาวะโดยเฉพาะคิดในเรื่องของอาเคียร์เรานะครับเราก็จะได้รับสิ่งดีๆในชีวิตเราที่มันมีคุณค่ามากมายเลยนี่นงครับนั้นในฮะดิษนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยท่านอุมารบุญขับ มาเข้ามาที่ห้องทรอโซลาะสละลาะหละลัมทรอโซลาะนั้นนอนอยู่นะครับเสร็จแล้วทรอโซลก็ตื่นขึ้นมาเนี่ยนั้นนบีนั้น น, น, นอนนอนกับเสือขาดเพาราะทรอโซ ล, ลาะตื่นมาก็ทํทำให้รอยของเสือขา ด, ขาดนั้นติดอยู่ที่ข้างของทรอโซลาะสละลาะห์ละสลัม ท, ท, ท่านอุมัตเห็นแล้วท่านอุมัตนั้นมีความรู้สึกเหมือนความว่าสงสารเหมือนว่าหดหู่ง่ายๆครับอุมัตคิดว่าท่านย่ารอลาะท่านเป็นถึงรอลาะเป็นศาสนาทูตของอัลล ท่านนั้นน่าจะอยู่เป็นอยู่ดีกินดีมากกว่านี้ในโลกดุนยานี้น่าจะสวยสุขได้มากกว่านี้คิดถึงกิซโรกิสเซงกอยซอร์ซึ่งเป็นกษัตริย์ของอาณาจักรโรมันอนาณาจักเรเปอร์เซียที่อยู่ในดุนยานี้ดูเหมือนว่าสบายครับอยู่ในปราสาทพระราชวังนอนก็อย่างดีๆทานก็กินขันกินอาหารดีๆเลยแต่ท่านกลับอยู่เป็นชีวิตอยู่ชีวิตที่มันลําบากทา ร, ร์โซล่ากล่าวท่านสั้นครับยบเป็นคำตอ บ, บอาชากอันดา อุมาท่าน ส, าสงสัยคางแขงในเรื่องเราหรือนะนนะครับหุ้มเกาอวมนอุจิรัตระหุฟิดดุญยาคนจําพวกเหล่านั้นนะครับคนที่ทําเพื่อในโลกนี้มีหวังเป้าหมายของเขาเพื่อมีชีวิตเพื่อในโลกดุน ญ, ญานี้อย่างเดียวนั้นเกาอวมนอุจิรัตละหุมเป็นกลุ่มคนที่ ร, ร้องสุบานฮาโลตานั้นเร่งรีบให้ความดีกับเขาได้ความดีเป็นแบบ เร่งรีบเป็นจานด่วนซึ่งพอเป็นจานด่วนเราจะพบเราอ๋อถ้าเป็นจานด่วนแล้วนั้นระยะสั้นจะคิดว่ามันมีคุณค่าแต่ระยะยาวแล้วมันเป็นอันตรายนะครับส่วนพวกเรานั้นพวกเรานั้นเป็นคนที่อัลลอฮฺสุบฮานาอุตサラนั้นที่จะให้อาคเครอับกับเราอาคเครอับกับเราซึ่งมันเป็นสิ่งที่มันมีความดีงามมากกว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นนิสนิรันเป็นนิรัน และมันมีความดีมากกว่ามีความพัสสุกมากกว่านั่นคือสิ่งที่เราโซลลอสโซลลอสอัสสลามใช้เพระเราเห็นครับว่าการที่เรานั้นมีความปรารถนาชีวิตในโลกอาเกีร์ร็อความสําคัญในโลกอาเกเยร์ร็อมันทําให้เรานั้นมีความอิคลาสมีความประสุใจครับมีความอิคลาสมีความประศุใจสิ่งที่ทําก็ทําเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาสิ่งที่เราละทิ้งก็ละทิ้งเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาเราจะคบกับใครก็เพื่ออัลลอฮฺเราจะโกรธกับใครก็เพื่ออัลลอฮฺ ไม่ได้ทําไม่ได้เพื่ออะไรครับไม่ใช่เพราะนับสูรเราเพียงอย่างเดียวนะครับดังนั้นพี่น้องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องประเด็นสําคัญเลยนะครับว่าขอให้เรานั้นได้เห็นถึงวรรคสุดท้ายแต่วรรคสุดท้ายของของสิ่งที่เราทําและม่มีความอิคลาสเราจะพบว่าเราไม่กล้าและทําอะไรก็ตามที่มันไร้ซึ่งความอิคลาสมันนํามาซึ่งความบกพร่องนํามาซึ่งความความความวิบัติเช่นเดียวกันครับขอให้เราได้นึกถึงสิ่งดีๆครับสิ่งดีๆที่เราทําแล้วนั้น มีคุณกับเราถ้าเราทำแล้วโอ้เงินที่เราทำนะแม้ทำเพียงเล็กน้อยนะแต่เราทำด้วยความอิลรสความเปสุดใจนะวางการตอบแทนเจ้าเราสิ่งนั้นมันจะเป็นพลังครับพลังที่นำความดีมาให้กับเราอย่างมากมาย้ารุลโลล่าวแบบนี้นะครับว่าซาบากะดิรฮัมอลอาลฟีอัลอลอลฟดรอฮิมหรือเอาหรืออัลฟมียติดารอฮิม หนึ่งทีเราทำ่หนึ่งเหรียญสามารถที่จะเอาชนะหนึ่งพันเหรียญหรือบางรีวิทยากร ว, ว่าหนึ่งแสนเหรียญได้เรามาดูเราบรรดาซอบะสงสัยครับยอดระสงค์แล้มันเป็นไปได้อย่างไรครับคนทํำสลักก้อหนึ่งเหรียญหรือหนึ่งบาทแต่ได้รับคุณค่ามากกว่าคนทํำสลักก้อนหนึ่งแสเป็นไม่ได้อย่างไรนะครับทารสุสโลอธิบายครับว่าเป็นไปได้คนที่เขาบริจาคหนึ่งเหรียญเนี่ยเขามีเงินเพียงแค่สองเหรียญมีเงินเพียงแค่สองเหรียณ เสร็จแล้วเขาทาบุญหนึ่งเหรียญเหลือไว้กินไว้ใช้หนึ่งเหรียญอีกคนหนึ่งมีเงินอยู่เป็นเป็นล้านแต่สตระก้เพียงแค่หนึ่งแสนเหรียญดังนั้นหนึ่งเหรียญจึงชนะหนึ่งแสนเหรียญเพราะหลักการอิสลามนั้นพิจารณาพิจารณาที่ที่อะไรฮะที่คุณภาพไม่ได้พิจารณาที่ปริมาณเงินสิ บ, บาทเงินร้อยบาทของคนจนกับเงินร้อยบาทของคนมีเงินร้อยล้านความรู้สึกต่างกันใช่ไหมครับ นั้นร้อยบาทของคนจนมันมีค่ามากเลยแต่ถ้าคนที่มีเงินร้อยบาทคนจนมีเงินร้อยบาทแต่สามารถทําบุญได้ห้าสิบาทโอ้มันสุดยอดแสดงว่าครึ่งหนึ่งของเงินที่เขามีอยู่เลยใช่ไหมฮะแต่ต่างกันคนที่มีเงินหนึ่งล้านคนที่มีหนึ่งล้านแต่ทาบุญเพียงแค่หนึ่งหนึ่งหมื่นมันต่างกันมันเพียงแค่หนึ่งในหนึ่งในร้อยหนึ่งในหนึ่งในร้อยของทรัพย์ที่เขามีอยู่ดังนั้นอิสลามจึงบอกว่าคุณค่าสําคัญ สำคัญมากกว่าปริมาณดังนั้นทําให้เราได้สบายใจนะครับวันนี้เนี่ยแม้เรามีเงินน้อยไม่มีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านแต่เรามีน้อยแต่เรามีความอิคลาสเป็นความมป็นสุดใจนั้นเรามีคุณค่ามากกว่าครับเราได้รับการตอบแทนจากต้องสุภาพานุตราามากกว่าครับนั้นขอให้กลับมาในสิ่งนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งจะเก่าเล่าให้ฟังนะครับมีคนมาปรึกษาครับว่าเขาพี่น้อง เขาเป็นพี่น้องกันเสร็จแล้วพี่น้องเขาเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของมรดกมีปัญหาในเรื่องของทรัพย์สินนะครับทําให้ผิดใจกันทําให้ไม่มองหน้ากันแล้วก็ถึงโรงถึงฟ้องถึงศาลเลยนะครับฟ้องศาลกันก็ไม่มีใครยอมใครนะครับเขาก็มาปรึกษาว่าจะทํำยังไงเนี่ยพี่สาวนั้นโกงทรัพย์ไปก็รู้ว่าโกงไปผมไม่คำแนะนาครับบอกว่าคุณอยากจะได้ร้อยนี่อยากจะได้ล้านคุณอยากจะได้หนึ่งร้อยบาทนี่อยากจะได้หนึ่งล้านบาท ถ้าคุณอยากจะได้หนึ่งร้บาทโอเคคุณฟ้องศาลตามกระบวนการศาลพี่คุณคุณฟ้องพี่คุณแม่คุณชนะมานั้นนอัลลอฮ์แล้วคุณเหมือนว่าได้ได้กลับมาเพียงแค่ร้อยบาทเท่านั้นเองแต่ต่างกันในวันนี้เนี่ยถ้ากว่าคุณถอนฟ้องเพราะนับเป็นพี่เป็นสายเลียดยวกับคุณคุณยอมพี่คุณเนี่ยเพื่อแสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮ์สุบฮานูอ่าตาลาแล้วคุณจะได้หนึ่งล้านแล้วคุณจะเอาร้อยเอาจาร้าน พออะไรฮะทารุสุลาะบอกว่ามันซัตรหูอายุสตติรุสกิหีวยุนซสอุฟีอัทริเฮฟัลยาเซนโรหิมใครก็ตามอยากจะให้อายุยืนสองอยากจะให้มีรุธกีมีความมีทรัพย์สินพอเพียงก็จงติดต่อกับเครือญาติติดต่อกับเครือญาติและอบีก็กล่าวครับไลซัน ล, ล, อลุอาเซแลอนโมกาฟิคนที่ติดต่อกับเครือญาติ นั้นจริงๆแล้วนะั้นไม่ใช่เพียงแค่เขาทําดีเราแล้วก็เราดีตอบไม่ใช่นะนี่เป็นเพียงแค่พื้นพๆแต่สุดยอดของวาเซนสุดยอดของความเชื่อมความสมัญคือวาเซนมันก่ต่ออากะเชื่อมความสําคัญกับคนที่ตัดขาดกับท่านทําดีกับคนที่ทําไม่ดีกับท่านทั้งหมดเลยนะฮะถ้าเรามองเพียงแค่ในโลกดุนยานี้เป็นไงผมไม่ได้ยังไงจะยอมได้อย่างไงล่ะครับเขาโกงเราเขาเอาเปรียบเราทําไม่ดีกับเรายัางไงต้องเอาถึงที่สุด ฟ้องศาลศาสนาไม่ได้ห้ามนะครับแต่ว่าถ้าเอาชนะมาได้มันตามหลักศาสนาตามหลักการแล้วมันก็ได้เพียงแค่ตอบแทนเพียงเล็กน้อยแต่ลองสิครับลองลองถอนฟ้องครับให้อภัยกับคนที่ทําไม่ดีกับเราโดยเฉพาะพี่น้องเรานะฮะพี่น้องเราเป็นสายเลือดที่ทารุณล้อบอกว่าเราว่าให้เรานั้นติดต่อกับเพือญาติเชื่อมความสาคัญกับเครือญาติให้ได้มากที่สุดใครก็ตามที่มีสิ่งนี้เอารวจะให้เขาโมลุสกีในด้านอื่นเอารวจะให้เขาอายุยืน นั้นเขาสามารถที่จะตัดสินใจได้ครับครั้งแรกวันอีดแรกนะครับไปสลามพี่สาวเขาพี่สาวเขาไม่รับสลามพอต่อมาอีดใหญ่อีดใหญนะครับไปสลามกับพี่สาวนะครับพี่สาวในวันนั้นกอดน้องชายด้วยความรักให้อภัยคือในสิ่งที่มันผิดที่มันมันเกินกันไปนะครับก็อให้เ่งกันแล้วกันแล้วก็ถอนฟ้องก็กลับมามีความมีมีความ ม, ม, วา ม, มีความรู้สึกที่ดีที่ดีกับ ที่ดีต่อการได้นะครับดังนั้นผมชี้เข้าเพียงแค่เห็นประเด็นครับว่าการตอบแทนน่าเอาล็อกสุภาษารุตรานั้นยิ่งใหญ่กว่าการตอบแทนในโลกดุนยานี้มันเพียงเล็กน้อยแค่นั้นเองถ้าเราหวังในโลกดุนยานี้มันเพียงแค่ได้ร้อยแค่นั้นเองครับได้อาจจะได้ร้อยนะครับแต่ระหว่างร้อยกับล้านเนี่ยมันต่างกันมากเลยนะครับล้านมันยิ่งใหญ่มากเลยใช่ไหมครับดงั้นเราจะเอา ร้อนี่จะเอาล้านนะครับถ้าอยากจะได้ล้านต้องหวังการตอบแทนจากล่องสุภาษิตในวัตนตลาครับและการตอบแทนจากล่องนั้นต้องหวังในสิ่งที่มันมองไปข้างหน้ายาวๆนะครับในวันนี้นะครับถ้าถ้ามีข้างหน้าผมนะครับมีเงินร้อยมีเงินร้อยบาทตั้งอยู่ตรงกลางนั้นมีอยู่ 10,000 ืบาทแล้วก็ท้ายสุดเลยนะครับมีอยู่หนึ่งล้านบาทนะครับถามว่าผมจะทํำยังไงครับให้ผมเลือกถ้าให้ผมเลือกเพลงแค่อย่างเดียวว่าจะเอาร้อยนี่จะเอาล้าน แน่นอนครับไม่่าจะเป็นผมหรือเป็นพี่น้องไม่ต้องเอาล้านแต่ถ้าจะเอาร้านต้องมองไกลๆครับถ้าจะเอาร้านต้องมองไกลๆมองไปนธุ์นู้นมีวิสัยทัศน์ที่ไกลๆนะครับแต่ถ้าเอาใกล้ๆการตอบแทนเมีระยะทัสั้นเอาเพียงแค่ได้เพียงแค่ร้อยเท่านั้นเองดังนั้นผมกําลังจะบอกครับว่าการหวังการตอบแทนจากน้องสุบาฮาหนูแต่เราต้องหวังมองไกลๆมีวิสัยทัศน์มีวิชั่นไกลๆครับมองไปข้างหน้าให้มันทะลุในโลกดุนยานี้เลยมองไปอาคีเราะ็อแล้วก็เราจะได้ล้านแน่นอนเพราะ ผู้ที่ให้กับเราได้ไม่ใช่มนุษย์แต่เอาบอสซาบ้าโดยเจตนาให้เราได้นั่นคือสิ่งที่มั น, เ ป, นเป็นมุมมองอีกมุมมองหนึ่งนะครับและเป็ น, ปนคําสอนอีกคําสอนหนึ่งที่อยู่ในฮะดิษนี i, ้อินเดมัลอะมาลบินเนยัดทุกสิ่งทุกอย่างนั้นขึ้อนอยู่กับเจตนาครับว่าเราจะได้ผลบุญน้อยหรือได้ผลบุญมากได้รับการตอบแทนเจาว่า อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือได้รับการตอบแทนเพียงแค่100นั้นฝากไว้นะครับว่าวันนี้ท่านอยากจะได้อร่อยหรืออยากจะได้ร้านครับถ้าอยากจะได้ร้านครับสร้างอิคลาชให้เข้มแข็งครับอโคโลเกอนีฮาราวัสตังพระหฤทัยวะลูุมวาลีไซน์ินมุสเนมีเนมิญุลีรัมฟัสตังเฟรูอินอัลกัฟุรุลรหิมวอสลามุอะลัยคุมวะรห์มัตุลลอฮิทูบบรักะตุ